กกท่านพระอาจารย์พระมีชัยรัตนปัญโยที่เคารพ อ, อย่างสูงค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2557ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมามียเป็นวันที่5ของการปฏิบัติธรรมหลักสูตรอาณาปานาสติโดยท่านพระอาจารย์สมทบปารักะโมขออารัธนาได้โปรดเมตตาแสดงธรรม เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติและความเพียรของเหล่าโยคีกับอารัธนาพระอศาจารย์เจ้าคะ่ะก็รับอารัธนาเโยนะอนุท น, นาสาธุเดี๋ยวช่วงถัดไปก็เป็นช่วงตอบคำถามที่สงสัยมาวันนี้ก็เลยต้องเร็วหน่อยเพราะว่าคำถามเยอะนะโยมเนาะก็จะพยายามตอบให้หมดเนะอาจจะตอบกระชับหน่อยวันนี้อ อันแรกนะไม่ได้เป็นคำถามแต่นี้น่ารักมากเลยขอเป็นอันแรกแล้วกันขอบคุณห้องอาหารที่ทำน้ำปลานะไม่หวานทานแล้วมีความสุขมากขอให้ท่านมีความสุขด้วยสาธุสาุสาธุสาธุสาธุตอไปเนะคณิกะสมาธิคืออะไรครับคณิกะสมาธินะมาจากคนไทยจะใช้ศัพท์นี้เหมือนกันนะโยมนะ มันามาจากศับสองสับว่าคณิกะศัพบหนึ่งแล้วก็สมาธิอีกศัพบหนึ่งสมาธิโยมรู้จักกันอยู่แล้วเนาะสมาธิมาจากแปลแปลว่าความตั้งมั่นนะถอดสั์ให้ฟังหน่อยก็ได้โยมนะมาจากสังบทหน้าสมาเนี่ยมาจากสังบทหน้าแปลงสังเป็นสมักนะแล้วก็อาบทหน้าอีกอันหนึ่งแล้วก็ฐ า, าธาตุหรือทอทงเนี่ยแหละนะก็เป็น ก็เลยเป็นสมาทะแล้วก็ลงอิปัจจัยก็ เ, ยเป็นสมาธิฐานธาตุแปลว่าตั้งมั่นเหมือนฐานน่ะที่แปลว่าฐานตั้งฐานทับนี่เป็นตน้นสังแปลว่าดีอาแปลว่าทั่วตั้งมั่นอย่างดีทั่วถึงก็คือแปลว่าตั้งมั่นนั่นเองนะสมาธิคนไทยก็แปลสมาธิเข้าใจอยู่แล้วสมาธิว่าสมาธิส่วนคณิกะคนไทยใช้คณิกะว่าขณนะสังเกตนะคณิกาสะกดยังไงเอ่ยขอไข่ นอนเนนสลีกอไก่คณิกะถ้าลบกอไก่กับสลีทิ้งก็เป็นขณะขณะกับคณิกะเป็นคํามาจากคําเดียวกันเลยนะเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนคนไทยก็รู้จักคําว่าสงหรือสังฆะนะในภาษาบาลีมีคำว่าสงหรือสังฆะเนี่ยกับสังคิกะสังฆะกับสังคิกะก็เป็นคําเดียวกันเพียงแต่เติมเติมสลีกอไก่มานะอิกะ ใสอิกะเข้ามาก็แปลว่าสงเหมือนเดิมนั่นเองคณิกะก็แปลว่าขณะรู้จกักขณะเนาะก็แปลว่าสนาสมาธิที่มีช่วแค่ขณะขณะช่วขณะก็คือแป๊บเดียวมีแป๊บเดียวแล้วก็หลุดแป๊บเดียวแล้วก็หลุดแป๊บเดียวแล้วก็หลุดเช่นอาจจะมีช่วงหนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีเท่านี้แล้วก็หลุดนั่นเองไม่ได้มีอะไรนานมากมายนักอยู่ในอารมณ์เดียวได้ระยะหนึ่ง แล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไปหรือบางทีอาจจะสั้นกว่า น, นั้นเลยเช่นมีสมาธิเค่ช่วครึ่ง น, นาทีแล้วก็หลุดอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกคณิกะเหมือนกั น, นก็มีเนื่องจากถามคณิกะและ้วสมาธิมันมีสามเนาะก็เลยแถมให้ก็มีคณิกะสมาธิเป็นขั้นที่หนึ่งต่อมาแล้วอุปจาระสมาธิต่อมาอัปปนาสมาธิ รู้จักอุปจาระอับอับปนาไม่เอ่ยอุปจาระสมาธิก็หมายถึงสมาธิที่อุปจาระเออจะแปลยังไงดีจระจระคนไทยจะเข้าใจว่าสั่งจรนเคยได้ยินไหมจาราจรจาระจรจาราจรแปลว่าอะไรการเที่ยวเที่ยวสวนเดินสวนทางไปสวนทางมาก็คือการเดินทางนั่นเองเนาะเออ ไอ้ขับศัพท์เนี้ยมันเป็นคนไทยก็ใช้นะจระจระหรือจาระเนี้ยนะเช่นจาระจรก็มีจจาระเรือจอจาระเรือนี่เองเนาะก็มาจากศัพท์ว่าจระจระเนี่ยแหละแปลว่าไปมาไปมานั่นแหละนะส่วนคําว่าอุปะเพราะมันจะมาจากว่าอุปะจาระเนาะอุปะแปลว่าใกล้หรือว่าเกือบนะอุปจาระสมาธิแปลว่า อุปาสมาธิที่เข้าไปใกล้เกือบถึงแล้วหมายความว่าอย่างไรเป็นสมาธิที่พัฒนาขึ้นมาจากคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วครู่นะขึ้นมานานได้อีกระดับหนึ่งนานได้อีกระดับหนึ่งก็คืออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างสบายได้อีกระดับหนึ่งไม่ใช่เคร่งเครียดนะถ้าเคร่งเครียดเนี่ยก็เป็นอตกากิมฐานุโยก กลุ่มสมาธิที่เป็นอะตกักขเดามัทธานุโยกก็มีอยู่นะนอกศาสนาพุทธมีเยอะเลยนะซึ่งซึ่งก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งไม่ใช่มีมีประโยชน์เนาะแต่ศาสนาพุทธไม่เอาสมาธิอย่างนี้เพราะไม่เอามาใช้อย่างนี้นะเช่นการเจริญโยคะก็มีต้องมีสมาธิไหมมีนะเช่นดัดตัวให้มันเจ็บแล้วก็รู้สึกถึงถึงความตึงอยู่อย่างนั้นได้5นาที10นาที เขาก็เรียกสมาธิเหมือนกันใช่ไหมโยมชายแต่สมาธิอย่างเนี้ยไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาของาศาสนาพุทธไม่ใช่เพราะาศาสนาพุทธปฏิเสธอตักกิลมัทฐานุโยคะหรือนุโยคนั่นเองง้นเพราะฉะนั้นสมาธิของาศาสนาพุทธแม้ถ้าโยมสามารถรู้รู้อารมณ์เดียวได้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ถ้าเป็นอตักกิลมัทฐานุโยกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะสติสมัมปญญาที่รู้หรือสมาธิที่ไปรู้อารมณ์นั้นมันหยาบไปมันหยาบเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีประโยชน์นะเขาก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่าศาสนาพุทธจะต้องการนํามาใช้เพราะกําลังมันไม่พอางังกันเถอะก็พัฒนาจากคณิกาสมาธิก็เป็นอุปจาระนั่นเองคือมีกําลังกล้ากว่าคือนานกว่าและที่เรียกว่าอุปจาระคือเกือบจะถึงแล้วแปลว่าเกือบจะถึงจะะแปลว่า ไปหรือแปลว่าจะไปถึงนะจะไปถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงจะไปถึงอะไรล่ะถึงอปปนาสมาธิอปปนาสมาธิแปลว่าแนบแน่นสมาธิที่แนบแนนแหละแนบแนนไม่ได้ไหมายความว่าเหมือนกับเรากรรมอะไรแน่นๆนะ่นนะไม่ใช่นะแนบแน่นก็คือมันก็เบาสบายปกตินั่นแหละแต่มันอยู่ได้นาน อยู่ได้สมชั่วโมง6ชั่วโมง7ดชั่วโมงสิบชั่วโมงแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นเองเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือรู้อารมนั้นได้ต่อเนื่องสบายใจสบอกสบายใจอย่างนั้นนั่นเองก็เลยแถมอุปจาระกับอ ป, ปนาสมาธิคือสมาธิเขามีสขั้นขั้ น, นกอ ะ, ะอุปจาระและอัปนาสมาธินั่นเองแถมอีกสองอันเนาะเผื่อใครอยากจะถามจะได้ตอบข้อสงสัยไปในตัวเลย พอดีมีคำถามเมื่อวานถ้าเกิดวันนี้อ่านเสร็จจนหมดแล้วถ้าคำถามเมื่อวานใครยังไม่ได้ตอบพรุ่งนี้เขียนมาใหม่นะมันมีบางส่วนไม่รู้ไปปนอยู่ตรงไหนน ะ, ะต่อไปการไปกินอาหารประเภทซีฟูด้ดเลือกกุ้งปูปลาเป็นๆมาทำอาหารจัดว่าผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่แล้วผู้ติดตามแต่ไม่ได้สั่งทั้งกินด้วยแล้วก็ไม่ได้กินด้วยจัดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือไม่ ถ้าเราไม่ยินดีกับการสั่งอาหารจานนั้นอ่าก็คือแบ่งคำถามเป็นว่ามีคนไปผู้นำแล้วก็มีผู้ติดตามผู้ติดตามแบ่งเป็นสองกรณีคือกินด้วยแล้วก็ไม่ได้กินด้วยจัดเป็นผู้สำรว้ร่วมคิดหรือไม่ถ้าเราไม่ยินดีกับการสั่งอาหารจานนั้นก็แน่นอนนะโยมเนาะถ้าเราไปชี้กุ้งกุ้งตัวนี้นะแข็งแรงดี นะเอามาทําหน่อยสิไอปลาตัวนี้ถ้าทางกําลังแรงดีเลยกินแล้วใสจะสดหน้าดูหน้าตาทางเนื้อจะหวานนี้เป็นต้นเออปูนี้มันยังแหมกกาลังดีเอาไปต้มซินะเอาไปทําอะไรก็ว่ากันไปนะอย่างที่โยมเคยเคยทํากันนะเนาะหรืออาจจะไม่เคยก็ได้นั่นเองนะก็เข้าทฤษฎีว่าฆ่าเองก็ดีใช้ผู้อื่นฆ่าก็ดียินดีในการฆ่าก็ดีสารเสริญคุณของการฆ่าก็ดีสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เป็นบาปทั้งนั้นเลยนะก็เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปาณาติบาตแน่นอนนะเพราะอะไรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าจริงอยู่โยมไม่ได้ไปหักทุบหัวปลาเองเนาะแต่โยมใช้ให้เขาฆ่าเพราะฉะนั้นก็มีโทษเหมือนกับฆ่าสัตว์นั่นแหละแบบเดียวกันอันนี้สงฆ์กำไรของการฆ่าสัตว์คืออะไรเอย่ยอายุสั้นอย่างเดียวไหม มีโรคภัยไข้เจ็บง่ายยังมีอีกไหมป่วยครับอ่ามีโรคภัยใช้ไข้เจ็บง่ายเนาะแล้วก็อาจจะพิการเอาอยวะบิดเบี้ยวได้ไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็เกิดได้ถูกไหมเนาะนะแล้วก็อาจจะอ้วนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นหรือผอมเกินไปนะแล้วยังมีอีกหลายอย่างเช่นตัวร้อนเกินไปตัวเย็นเกินไปอย่างนี้เป็นต้นจะพัดภาคจากญาติพี่นอ้อง งั้นการทำบาญนันทิบาตไม่ดีเลยเนาะอ่าก็ตอบคำถามในขั้นแรกก่อนต่อมาขั้นทัดมาแล้วที่คนที่ไปด้วยละ่ะที่ไปร่วมกินด้วยจะมีโทษไหมถ้าคนนี้ไปร่วมกินด้วยไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะไม่ได้รับรู้การฆ่าเลยนั่งรองอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวไมไ่รู้เลยว่าเขาไปชี้สัตว์เป็นมาให้กินแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นหรือไม่เป็นฉันไม่ได้สนใจนั่นเองนะ แล้วก็ไม่ได้ยินดีการการฆ่าสัตว์ด้วยรอดไม่รอดเงื่อนไขมันอยู่อันนี้นะมาได้ยินดีการฆ่าสัตวดดนะดดต์ด้วยเลยนั่นเองก็รอดไปนะแต่ถ้าไปนั่งกินตรงนั้นด้วยก็จริงนะแต่ถ้าผู้นําไม่สั่งฉันก็ต้องไปสั่งถ้าผู้นําไม่ชี้ฉันก็ต้องชี้รอดไหมอย่างเงี้ยถ้าเธอไม่ชี้ฉันจะหงุดหงิดเธอทาไมไม่ไปสั่งสักทีล่ะ เอากุ้งดีๆหน่อยนะเอาปูดีๆหน่อยนะเอาปลาดีๆปลาหมึกนี่เอาสดๆนะเนี่ยเอายังมันนิดๆอยู่อะไรเงี้ยว่ากันไปนะโยมนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต่างกันโยมนะก็อยู่ในสโคปกใกล้ๆ ก, ก, กันเแถวนั้นก็ถึงแม้จะไม่ค่าเองไม่ใช้ค่าก็ยินดีในการค่าเออแต่อาจจะโทษเอาเบาลงมานิดนึงเอะเล่าตัวอย่างหน่อยนะโยมนะเอาเล่าใครดีเป็นตัวอย่างเอาพู้เจ้เจ้าเราแล้วกันในประชเทศนึงนะใน ในพุท ธ, ธในในอะไรนะพุท ธ, ธวงศ์มั้งนะในพุท ธ, ธวงศ์นะพระเจ้าก็ตัดเรื่องเรื่องอ๋อไม่ใช่โทโทษทีพุท ธ, ธประทานในพุท ธ, ธประทานในคำีพุท ธ, ธประทานนะพระเจ้าก็ตัดว่ามีมีช่วงหนึ่งนะเนี่ยดีฉชาติพระเจา้าเกิดเป็นลูกชาวประมงเกิดเป็นลูกชาวประมงนะ ลูกหลานชาประมงว่ากันเถอะยญาติพี่น้องก็ลงไปหาปลาเนาะวันนั้นหาปลาโดยวิธีเบื่อปลาเบื่อปลาทั้งฝูงเลยนะเบื่อปลาทั้งฝูงเหมือนยุคนี้เวลาลงลงไปในทะเลเนาะก็มีเรดาร์ปุ๊บแล้วก็ช้อนปลาทั้งฝูงขึ้นมาเลยแต่ยุค ก, ก่อนเวลาไปอย่างเงี้ยเขาต้องเอาเรือหลายลำไปพร้อมกันเอาเรือไปหลายลำไปพร้อมกันแล้วก็ไปช้อนขึ้นมาทั้งฝูงนะว่ากันเถอะ เมื่อทําอย่างนี้เป็นไงพระโพธิสัตว์ก็เป็นบัณฑิตเว่ากันเถอะก็เลยไม่ฆ่าสัตว์ก็คือไม่ไปร่วมฆ่ากับเขาเลยนะตระกูลหมู่บ้านชาประมง500ครอบครัวก็ลงลงล ง, ลงเรือกันไปร่วมกันล่าปลาทั้งฝูงได้ปลามาเยอะมากทั้งฝูงเลยพระโพธิสัตย์ยุคนั้นอดีตชาติของพระสมามานุวงศ์เจ้าเราก็ไม่ลงไปล่ากับเขาเพราะรู้ทั่วของปรานาธิบาตก็เลยไม่ฆ่าสัตว์แต่ ก็ยังมีอาการดีใจเพราะรู้ว่าญาติวันนี้ลงไปล่าป่ามาได้ทั้งฝูงเลยเยอะมากเลยดีใจผลเป็นยังไงดีเอ่ยผลก็คือชาติสุดท้ายที่ท่านมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหมูชาวสักยะนั้นก็คืออดีตชาติของชาวประมง500อตระกูลนั่นเองนะก็ถูกฆ่าล้านตระกูลเหมือนกัน ส่วนพระพุทธเจ้าล่ะไม่ได้ฆ่าขเขาด้วยก็ไม่โดนฆ่าแต่วิบากของการยินดีที่คนอื่นฆ่ายินดีกับญาติตัวเองเบื่อปลามาเยอะเลยเป็นยังไงเอ่ยปวดศีรษะนั่นเองช่วงที่ตระกูลสากยะโดนฆ่าทั้งตระกูลอยู่นั้นพพุทธเจ้าก็ปวดศีรษะเหมือนอะไรเหมือนพุทธเจ้าเครียดเลยเนะีโดนญาติๆโดนฆ่าแต่ไม่ใช่เป็นเพราะวิบาของของกรรมที่ท่านทำจังหวะนั้น ทุกคนต้องได้คืนผลกรรมนั้นตามกับสนองหมดว่า ง, งั้นเถอะเจ้าสักยะก็โดนฆ่าล้างตระกูลส่วนพุทธเจ้าก็ปวดศรีรษะช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเห็นไหมแม้แต่พระสัมมาสุตเจ้าบรรลุสัมมาสัมพธิยานแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงผลของกรรมไม่พ้นนั่นเองก็น่าจะตอบคาถามได้ครบทุกกรณีเนาะน่าจะครบไหม ต้องต้องสรุปไหมเลยก็สรุปหน่อยแล้วกันนะครับจ้าก็ผิดศีลข้อหนึ่งไหมที่ไปชี้มาผิดผู้ติดตามแต่ไม่ได้สั่งมี2กรณีคือถ้าไม่ได้ไม่ได้สั่งเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าสมรู้ร่วมคิดก็ไม่ผิดสมรู้ร่วมคิดก็คือมีร่วมการร่วมตัดสินใจในเมนูนั้นก็ผิดนะแล้วก็ถ้า ไม่ได้กินแล้วก็ไม่ยินดีก็ก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่ยินดีแต่กินมันมีอย่างนี้ด้วยนะโยมอาตามาเคยไปเองที่บ้านอาตมาสั่งให้กินเองแหละเออไม่ยินดีนะตอนนั้นเรียนธรรมะแล้วแต่กินเพราะว่าเก่งใจเขาเห็นเขาสั่งมาแล้วแล้วเขาจะคิดยังไงต่อโยมเขาก็เป็นญาติเราไง พอเรากินไปปุ๊บแล้วเขาเห็นเมนูนี้เขาสั่งมาแล้วแล้วมันหมดเขาก็จะคิดว่าสั่งให้เรากินใช่ไหมครั้งต่อไปเขาก็สั่งอีกเพราะเขาคิดว่าเราชอบกินถ้าโยมไม่ยินดีจริงยอมต้องไม่กินเลยเออเนาะเข้าใจไหมโยมมันรักเพื่อนอะ่ะมันรักกันอะ่ะเออถ้าไม่ยินดีก็จริงก็คืออย่าไปกินเลยเพราะกินไปปุ๊บมันจะติดเพราะอะไรของเป็นมันอร่อยกว่าหวานกว่าเด้งกว่าเออโยมเออ ครั้งต่อไปก็จะเริ่มยินดีนยโยมนะมเวลาแจ้งที่บ้านว่าอยากจะทานอะไรเช่นเย็นนี้อยากทานผัด ส, สตอกุ้งสดคนทำไปซื้อกุ้งที่ตายแล้วที่ตลาดแต่อยากทราบว่าตอนแจ้งว่าอยากทานบาปไหมแล้วคนทําบาปไหมครับซื้อกุ้งตายที่ตลาดต้องเงื่อนไขคือซื้อกุ้งตายที่ตลาดนะแล้วบาปไหมงั้นแยกตอบอย่างนี้นโยมนะ แยกตอบเป็นว่าบาปปานติบาทกับบาปแบบยินดีในอาหารใช่ไหมงั้นแยกตอบเป็น2กรณีนะถ้าบาปปานติบาทไม่โดนแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะฆ่าสัตว์เลยนะแล้วก็ไปซื้อกุ้งตายแล้วอีกเหมือนกันเพราะกุ้งส่วนใหญ่ที่ชั้นอาตมาได้ยินมาส่วนใหญ่จะตายแล้วทั้งนั้นถ้าเป็นกุ้งน้าจืดเนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นอกจากไล้านอาหารนั่นเอง วิธีน็อกก็ทรมานมากเล่าหน่อยหนึ่งก็ได้แต่ามาเคยไปอยู่ชาเชิงเซาเนาะช่วงนั้นกินกุ้งบ่อยมากเลยเพราะว่าอยู่ข้างๆบอกกุ้งกินเดี๋ยกินจากกุ้งกินจากกุ้งเพราะบอกกุ้งเขาก็ถวายกุ้งก็เลยรู้วิธีน็อกกุ้งมาเพราะตอนแรกก็ไม่กล้ากินเพราะว่าเฮ้ยเอากุ้งเป็นมาทําให้เรากินหรือเปล่าเนี่ยพระนะเห็นการฆ่าก็กินไม่ได้รู้คือได้ยินการฆ่าก็กินไม่ได้นะสงสัยว่าฆ่ามาเพื่อเรา คือเห็นการฆ่ามาเพื่อตนนะได้ยินการฆ่ามาเพื่อตนหรือสงสัยว่าเขาฆ่ามาเพื่อตนอย่างนี้กินสิ่งนั้นไม่ได้สัตว์เป็นเราสัตว์เหล่านั้นกินไม่ได้ก็เลยรู้สึกอยากรู้แล้วก็เลยต้องถามเลยพอถามปุ๊บเขาบอกอ๋อไม่หรอกเพราะว่าเวลาเขาเอากุ้งขึ้นชักบ่อเนี่ยเขาจะเอาทำน้ำเอาลงถังน้ำแข็งมาโยนแล้ใส่น้ําแข็งจนเย็นจนเย็นขนาดไหนเย็นจนขนาดว่าเขาบอกว่าต้องเอามือลงไปเทส เอมือจุ่มลงไปปุ๊บแล้วต้องรีบดึงมือขึ้นวายเย็นเย็นย็นเย็ น, ยนชาไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นปุ๊บเขาทําไงต่อลองนึกถึงตัวเราณนโะยมนะก็เอาใส่ลงไปในจมนั้นเลยโยนลงไปเลยปุ๊บพอโยนลงไปเป็นไงถ้าเราโดนโยนลงไปงั้นเป็นไงก็นอกทันทีเลยก็ขนาดมือแหย่ลงไปยังต้องรีบชักขึ้นเพราะชาไปหมดถ้าโดนโยนลงไปทั้งตัวก็ตายทันทีเหมือนกัน กุ้งก็โดนอย่างนี้แหละเขาเขาจะากุ้งทั้งหมดโยนลงไปในน้ําแข็งที่เย็นเจี๊ยบนั่นแหละกุ้งก็จะถึงขั้นช็อกตายทันทีเหมือนกันถ้าเป็นเราถ้าเรานึกถึงว่ากุ้งโดนก็ไม่เป็นไรอย่างยีสีกรอบดีแต่ถ้าเราโดนสงสัยจะเจ็บหน้าดูเนาะนะอ้าวก็ตอบคําแรกก็คือถ้าเป็นบาปนาติบาต์ไม่เป็นนะบาปแบบบานาติบาต์ไม่เป็นแต่ถ้าบาปขั้นละเอียด นะก็คือความยินดีในรสอาหารติดใจในอาหารก็อาจจะมีนั่นเองนะก็อาจจะใช่ไหมเพราะเราอยากกินะ่ะตัณหาที่ยินดีในอาหารพราโยมถามถึงบาปเนาะบาปก็มีขั้นกรรมบทกับไม่ถึงขั้กรรมบทนะถ้าเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชเขาก็จะเห็นโทษบาปแบบนี้ด้วยเขาจะมีกรรมฐานกรรมฐานหนึ่งตอบเกินนี่อีกเนาะว่ากรรมฐานที่แก้กับการยินดีในรสอาหารมีไหมมี นะถ้าเป็นกรรมฐานนะมีด้วยถ้าไม่ใช่กรรมฐานขั้นศีนมีไหมมีเหมือนกันเขาใช้ปัจเวกขณาเอาในการกินที่โยมเคยสวดไว้นะที่พิจารณาอาหารบิณฑบาตนะไม่ให้เพื่อเล่นบันเทิงนะไม่ใช่เพื่อกินเพื่อเล่นกินเพื่อเกิดกําลังกินเพื่อเพลิดเพลินสนุกสนานเกิดกําลังเมามันทางกายเหล่านี้เป็นต้นก็คือสวดปฏิสังขายโยนั่นเองเนาะ ไม่ใช่สวดนะใจเป็นวิธีพิจารณาในขั้นศีลต่อมาขั้นกรรมฐานเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีคนเจริญนะกรรมฐานเนี้ยนะเขาเรียก เ, เรียกอะไรเอ่ยเคยได้ยินไหมอาหารเลปฏิกู ล, ลสัญญาแปลว่าอะไรอาหารเล่แปลว่าในอาหารปฏิกูลแปลว่าสกรปรกสัญญาแปลว่าจดจําหรือสําคัญเข้าใจเขามีเวลากินอาหารจะสําคัญคือเข้าใจว่าอาหารนี้เป็นของสกรปรกปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจ น, นะ เหมือนเหมือนประดุดฉีกเนื้อบุตรตัวเองกินแล้วเนื้อบุตรนั้นก็เป็นของที่ทั้งดิบทั้งเหม็นทั้งไม่มีรสชาติอะไรดีเลยแต่ต้องกินเพื่อประยังพระทางชีวิตไปวันๆนั่นเองนะก็มีที่ตอบว่าถ้าอยากกินกุ้งใช่ไหมแล้วไปซื้อกุ้งตายมาทําบาปไหมก็ตอบว่าไม่บาปปาณธิบาศแต่ถ้าบาปก็เป็นบาปบาปในกลุ่ม ยินดีในอาหารซึ่งก็มีผลเนาะอยากรู้ไหมผลมันเป็นยังไงอยากรู้กันไหมเอ่ยถ้ารู้แล้วจะไม่อยากกินอาหารนั่นเนี่ยบอกดีไม่ดีโยมบอกดีไม่ดีได้ยินว่าดีเนาะใครไม่ดีรีบบอกนะอาจะรจะมาจะได้ไม่เล่าในพระสูตรหนึ่งพระสูตรหนึ่งนะโยมนะถ้าอยากรู้พระสูตรเดียว ติดต่อพี่นินเอกก็ได้นะพี่นินเอกเอาพระสูตรนี้มาล้เขาเรียกว่าเทวทูตสูตรแะเทวทูตสูตรพระสูตรนี้จะพูดถึงว่าบุคคลผู้ยินดีในาหาแล้วย่อมตายไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าบุคคลผู้ยินดีในาหาแล้วย่อมตายเป็นสัตว์ที่ไปเกิดตายในคูด สัตว์ที่สัตว์ใดเป็นผู้ยินดีในติดรดรถอาหารแล้วด้วยท้ากรรมนั้นให้ผลต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่ติดติดมันก็ติดทุกคนลยโยมแต่ขึ้นอยู่ว่ากรรมนั้นให้ผลไหมถ้ากรรมนั้นให้ผลก็จะเป็นสัตว์ที่เกิดในน้ำตายในน้ำสัตว์ใดเป็นผู้ยินดีในติดในรดอาหารแล้วหมายถึงกรรมมให้ผลเนี่ยกรรมคือความยินดีนี่ให้ผลก็จะเกิดในที่มืด ตายในที่มืดพอแล้วดีกว่าเนอเดี๋ยวเยอะเกินไปก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> เป็นกลุ่มพวกเดลฉ า, านนั่นเองนะโยมนะกลุ่มเดรลฉ า, านเพราะเดลฉ า, านติดในรถอาหารไหมโยมหญ้ามันอร่อยไหมหญ้าอร่อยไหมไม่อร่อยหรอกเนาะถ้าโยมไปกินหญ้าโยมคิดว่าหญ้าอร่อยไหมแต่วัวมันกินตลอดเวลาโยมวัวมันจะกินเคี้ยวอยู่เคี้ยวเคยวมันไปนอนอยู่มันทาไง มันก็คายขย่อนออกมาจากท้องแล้วมันก็เคี้ยวต่อเชื่อไม่เชื่อโยมไม่เชื่อโยมลองไปดูวัวควายนะโยมนะมันทํากิจกรรมอย่างนี้เลยเวลามันนอนนอนอยู่นอนมันก็จะขย่อนออกมาจากท้องมันมันเคี้ยวใหม่งับงับงับงับงับตาบใดที่มันยังไม่นอนมันก็จะทําอย่างนี้แปลว่ามันติดรสอาหารหนักไหมมันอร่อยไหมเนี่ยย่าแล้วกลืนลงไปแล้วยังออกมาขย่อนมาเคี้ยวใหม่ถ้าโยมขย่อน อาหารที่กินไปกลางวันเนี่ยม า, มาเคี้ยวแล้วกลืนใหม่โยมจะกลืนลงไหมไม่ลงเพราะมันไม่อร่อยใช่ไหมแล้วทาไมบัวควายมันอร่อยอ่ะเพราะกรรมที่มันทำและนำไปเกิดเป็นบัวควายเป็นต้นเพราะเขายินดีในการกินและจริงๆอาหารอะไรมันอร่อยไหมอาหารอร่อยกับไม่อร่อยมันต่างกันไหมอร่อยมันก็เปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดขมใช่ไหม ไม่อร่อยก็อันนี้อร่อยล่ะก็เปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมปนๆกันอยู่เท่านี้แหละรสชาติอาหารมีอยู่เท่านี้จริงๆอร่อยก็ไม่อร่อยมันคือความเข้าใจผิดของเราจริงไหมโยมแหมเดี๋ยวบวชกันหมดหรือเปล่าในชวนคุยอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไว้ตอบคําถามนี้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ค ล, ละพักบวชเยอ ะ, อะก็เ<อ>มื่อกี้มันเขียนว่าคนทําบาปไหมคนทําไม่บาป คนปรุงอาหารไม่บาปว่าโดยหลักข้าวๆหยาบๆไม่บาปเพราะเขาทำได้เจตนาที่ดีส่วนโยมออแต่ถ้ายกตัว อ, อย่างว่าถ้าเรารู้โทษของอาหารอย่างนี้แล้วเรายังจะพาพ่อแม่ไปกินอะไรอร่อยอร่อยไหมไม่ทำ <c oughs> งั้นเลยเหรอได้นะโยมนะเออเออ พาพ่อแม่ไปกินอะไรอร่อยเป็นทั้งทานแล้วก็เป็นทั้งศีลแต่ตัวโยม่กินแบบสังวรเฉพาะตัวคนเดียวนะการพา พ, พ่อแม่ไปกินอะไรอร่อยๆเ ป, เป็นหน้าที่ชนิดหนึ่งของลูกเหมือนกันนะเออเป็นหน้าที่ของลูกแต่ถ้าพ่อแม่รู้ธรรมะด้วยก็จริงดีนะโยมเนา ะ, ะต่อไปเนาะผลกรรมจากการผิดศีลข้อหนึ่งเช่นฆ่าสัตว์ทำแท้งคืออะไร ต้องรับผลกรรมกี่ชาติอ่ามาและจิตสัมผัสนะโยมจิตสัมผัสมาแล้ ว, ลวก็ผลกรรมจะ ก, การทําแท้งการทาแท้งก็คือการฆ่าสัตว์นั่นเองโยมเพราะว่าเอออันนี้อาจามาเคยเข้าใจผิดตอนอาจมาเป็นคารวาสตอ น, น, นมาเรียนหนังสือนะแล้วก็คุยกับเพื่อนๆคุยกันว่าถ้าสมมติมีใครเพื่อนเราสักคนท้องจะทํำยังไงตอนเรียนหนังสือนะ ตมาก็ตอบว่าไม่ยากหนิก็ทำแท้งหิยากอะไรไม่กี่ตังเองเองไม่เองไม่ไปเดี๋ยวข้าจะพาไป <c oughs> เองจะปล่อยให้เป็นข้อดอกมานะเว้ยเรื่องใหญ่นอนเว้ยว่ากันเถอะนะตมาก็ตอบเขาอย่างนั้นโยมเพราะตมาไม่รู้จริงๆว่าสัตว์ที่เกิดในท้องเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตอาตอมานึกว่าเป็นก้อนก้อนอะไรสักก้อนนึงอยู่ในท้องถ้าไม่ไม่เบ่งออกมาจากท้องตาบใดมันก็ยังไม่มีชีวิตตาบนั้นแต่ความจริงแล้วเป็นเช่นนั้นไหม เป็นไม่เป็นไม่ใช่โยมพอจะมาบวชไปแล้วจะมาตกใจเลยเอาตายแล้วว่าดีนะเนี่ยเราไม่เคยไปทาพาใครไปทําอย่างนั้นจริงๆไม่งั้นเราได้บาปก้อนโตเลยเนี่ยเพราะอะไรโยมสัตวนะ์น่ะตอนอยู่ในท้องตั้งแต่ปฏิสนธิครั้งแรกเลยนะ่ะก็เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วนะเมื่อเมื่อไอตอนที่ไอสเปิ์มันวิ่งไปเจาะรังไข่ได้นะโยมนะไอตอนนั้นแหละ ปฏิสนธิวิญญาณก็เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันมันจะเป็นจังหวะเดียวกันหมดปุ๊บแล้วมันก็ปฏิสนธินั่นเองนะก็คือหมายถึงว่ามีสัตว์เกิดขึ้นแล้วในท้องนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำแท้งหรือพาคนไปทำแท้งหรือเป็นหมอทำแท้งซะเองก็หมายความว่าเราฆ่าสัตว์จริงไหมโยมเนาะก็เป็นการฆ่าสัตว์จะฆ่าลูกตัวเองหรือไม่ฆ่าลูกตัวเองหรือจะคาบ มนุษย์หรือข่าอะไรก็ตามเถอะมันก็คือการฆ่าสัตว์ผลของมันเป็นยังไงก็ผลเป็นแบบปาณาติบาสนั่นเองคือก็จะมีอายุสั้นเนาะมีอายุสั้นนั่นเองแล้วก็เป็นหลักนะอายุสั้นเป็นหลักส่วนนั้นอื่นก็พวกภัยไข้เจ็บอาจจะเบียดเบียนง่ายอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งก็ต้องวิ่งไปตามดูว่าไอสัตว์ที่มาเกิดในท้องเราเนะี่ยเป็นสัตว์มีบุญมากไหม หรือว่าไม่จะว่าสัตว์ที่อยู่ในท้องเหกันหรือว่าสัตว์ตัวใดก็ได้ที่เราไปฆ่านะเขาเป็นสัตว์ดีไหมเช่นเขาเป็นคนมีศีลไหมเป็นสัตว์มีศีลไหมสัตว์บางตัวเขาเป็นสัตว์มีศีล น, นะถ้าเราไปเบียดเบียนเขาบางทีเราก็ได้โทษใหญ่มาเหมือนกันนะส่วนถามว่าแล้วผลของบาปนี้จะตามไปกี่ชาติใช่ไหมโอ้โหอันนี้ก็ประมาณให้โยมยากเหมือนกันเนาะแต่มันมีเรื่องสาทกเรื่องตัวอย่างสาทกไปว่าเรื่องตัวอย่างที่เขาพูด เวลาจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยเพราะเวลาถามเรื่องนี้ก็เจ้าเรื่องนี้มาตอบโยมเพราะมันจะตอบว่าห้าร้อยชาติทำหนึ่งครั้งโดนไปห้าร้อยชาติว่าเงินเถอะคืออะไรเอ่ยคือจะมีมีครั้งหนึ่งในในนี้ในเรื่องเหตุการณ์ในในเรื่องหนึ่งที่พระเจ้านํามาเล่าให้ฟังว่ามีพราหมณ์เขาจะทําบูชายัญโยมนะเขาก็เลยฆ่าแพะบูชายัน์ โยมรู้จักฆ่าบูชายันไหมโยมก็จะปาดคอเจื้อนะแล้วก็จะไปฆ่าสังเวยเทวรูปปั้นเทวดาแล้วก็เลือดเนี่ยพุ่งใส่เท้าเทวดานะรูปปั้นเทวดานั่นเองนะาพามนั้นฆ่าแพะไปตัวหนึ่งเพื่อบูชายันเขาถือว่าเป็นบุญใหญ่นะของของสมัยโบราณเขาเมื่อทำอย่างนี้แล้วเป็นไงเอ่ยนะกรรมนั้นให้ผลเขาเขาก็เลยไปตกนรกแต่เขาไม่บอกว่าตกกีชาชนะนรกนะ เมื่อพ้นจากนรกสู่นรกจากนรกสู่เปรตจากเปรตสู่สุรากายนะหลังจากนั้นก็หลุดมาเกิดเป็นแพะนะทุกชาติที่เกิดเป็นแพะก็จะอายุสั้นเมื่อถึงวัยวัยหนึ่งปุ๊บ ก, ก็จะถูกฆ่าปาดคอเหมือนกันอย่างนั้นตลอด499ชาติมาเป็นอย่างนี้หมดพอชาติสุดท้ายทำการจะเป็นแพะ แพ้นั้นก็เลยหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ออกมาเพราะแกะกาลังจะโดนบูชายันอีกมาดีชาตินั้นแพ้รละลึกชาติได้โยมก็เลยหัวเราะออกมาด้วยด้วยความดีใจว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายของเราแล้วแล้วก็ร้องไห้ให้คนจะฆ่าตัวเองเพราะอะไรโยมเพราะว่าให้คนที่จะฆ่าฉันเดี๋ยวมันก็องมาเป็นแบบฉันเพราะฉันจำได้ว่าชาติก่อนๆนู่นฉันก็เป็นพาม แล้วฉันก็ทําบาปแบบนี้แบบนี้ไว้นั่นแหละฉันเลยต้องมากลายเป็นแพะนิชาติที่500รแล้วว่ากันเถอะแล้วแพะตัวนั้นก็สุดท้ายก็ตายเหมือนเดิมตายด้วยการโดนปาดคอเหมือนเดิมไม่เล่าทั้งเรื่องนะเพราะคําถามมีเยอะนั่นเองก็ไปว่าถ้าว่าโดยประมาณก็500ชาติโยมก็เหมือนกับอะไรโยมให้ทานกษัตริย์เดรัจฉานมีอั น, นิสง์เท่าไหร่500เท่าเหมือนกันโยมค่าสัตว์หนึ่งครั้งก็500ร้ย ชาติหรือห้าร้อยเท่าเหมือนกันสมดุลกันดีไหมสมดุลกันดีไหมสมดุลกันดีถ้าเราบอกว่าผลของบุญอยากได้เยอะๆผลของบาปเอาน้น้อยเราก็ขี้โกงอะเนาะจริงไหมโยมก็ให้ทานสัตว์หนึ่งตัวไม่ได้ฆ่าเขาเลยนะให้ทานหนึ่งอิ่มแกสัตว์เดรัจฉานให้ผลห้าร้อยเท่าให้กับมนุษย์มนุษย์ขี้โกงมนุษย์มีไร่ศีลมีผลเท่าไหร่พันเท่า ให้ทานกับมนุษย์มีสีให้ผลเท่าไหร่แสนเท่าให้ทานกับมนุษย์ที่เป็นฤาษีชีไพันะนอกศาสนาพุทธแ ล, ะละ้วละนิวรธลรทได้คือเจริญกรรมฐานจนจนข่มกิเลสได้แล้วนั่นเีงให้ผลล้านล้านเท่าเป็นต้นผลบุญมันยังใหญ่ขนาดนี้ผลบาปจะไม่ให้ให้ล้อห500อัตภาพได้ไงมันก็ไม่แปลกอะไร แต่แปลกตรงที่ว่าเรารู้แล้วแล้วทำไมเรายังทำอกุศลกรรมกันอยู่แล้วนั่นเองเนาะเอา้าคำถามทันไปดีกว่าเมื่อกี้ตรงทาแท้งก็คือถ้าไข่ผสมกับอาสุจิแล้วอะ่ะมันมันมีสองกรณีเนาะคือมีวิ ญ, ญญาณมาปฏิสนธิกับไม่มีเราไม่รู้เรามองไม่เห็นตอนนั้นโยมก็คือระวังว่าตอนที่ไข่ ปฏิสนธิเอ้ไข่ผสมกับอสุจิแล้วอะโยมก็อย่าไปกินยาให้มันหายไปตอนนั้นก็ไม่ก็ไม่แทงก็บอกถือว่าไม่บาปเชิญเพื่อนออกจากหอพระน่าจะเป็นขอ ง, bon. ของตัวเองนะเพราะลำคาญเขามาสายอยู่หลายเดือนแล้วจะเป็นกรรมอะไรบ้างก็เชิญเพื่อนออกจากห้องของเรา เพราะมาใส่อยู่กับเรานานแล้วก็เชิญเขาดีๆนี่เขาบ้านเรานี่ห้องของเรานี่ก็ไม่เป็นไรมั้งโยมเนาะใช่ไหมโยมเหมือนกับเหมือนกับเราอยู่บ้านแล้วมีแขกมาเยี่ยมเราเนาะถ้าแขกอยู่นานเกินไปแล้วก็เออเหนื่อยแล้วนะจะจะพักแล้วคุณกลับบ้านไหมหรือจะนอนบ้านบ้านชั้นเลยไหมเงี้ยแขกเขาจะรู้ตัวแล้วก็จะกลับกันเองถูกไหมโยมนะก็ไม่เป็นไรหรอกโยมเนาะ แต่ถ้าเราโกรธเขาสิถ้าเราโกรธเขาสิเออมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ถามว่าเป็นอะไรไหมหมายความว่าขั้นไหนด้วยเนาะขั้นไหนด้วยขั้นขั้นโกรธเป็นโทษอย่างนี้ไหมยอย่างนักบวชในวินยัยเอาเอาเรื่องนักบวชมาตอบดีกว่าในวินัยนักบวชเขามีนะเช่นถ้าเราอยู่ในกุติถ้าสมมติจะมาอยู่ในกุติแล้วก็เจอพระที่ไม่ดีมาก่อกวนเราก็สามารถไล่เขาออกจากที่อยู่ของเราได้ แต่ไล่เขาออกจากวัดไม่ได้เพราะธรรมชาติของวัดเป็นที่กลางเป็นที่าศาธสนะแข่งพิสูุสงส์จะไล่เขาออกจากที่กลางที่ไม่ใช่ที่ของเราไม่ได้แต่ถ้ากุฏินั้นเป็นกุฏิของเราห้องพักของเราเราเชิญเขาออกได้ไหมได้เพราะเขาไม่ให้สมาคมกับคนพานว่างั้นเถอะเออถ้าตอบอย่างนี้คนถามคําถามนี้น่าจะสบายใจขึ้นเนาะนะ <c oughs> เราสังเกตนยโยมคือพวกนี้เป็นเรื่องที่เราเจอทุกวันมันเป็นธรรมะขั้นศีลนายโยมควรจะรักษาศีลให้สบายใจได้ต้องฉลาดในเรื่องคําพูดนายโยมนะเอออันนี้พอดีคําถามนี้เข้าตัวนะผมจะถามอาจารย์นะครับเมื่อเช้านี้ผมเองนะครับเล่าเรื่องชายป่วยสองคนอยากทราบว่าชายตาบอดที่มีความกรุนาได้พูดโกหกเนื่องจากมองไม่เห็น ชายตาบอด น, นั้นผิดศีลข้อมุสาหรือไม่จะทำอย่างไรได้บ้างในกรณีเช่นนี้ภาษาปัจจุบันที่ฮิตเขาเรียกว่า white lie ก็คือโกหกสีขาวก็คือเรื่องว่าเช้ามันเป็นว่าผมตอบเองดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> เอ <c oughs> คือจริงๆไอ้โกหกเนี่ยมันถ้าว่าตามตัวหนังสือนะก็คือว่า รู้บอกว่าไม่รู้ไม่รู้บอกว่ารู้เห็นบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นบอกว่าเห็นคนเมื่อเช้าเขามองไม่เห็นแต่เขาเล่าให้ฟังเออนะคนเมื่อเช้าเขาตาบอดแต่เขาเล่าให้ฟังใช่ไหมเออแต่จริงๆเจตนาของศีลข้อมุสสาเนี่ยคือว่าอีกฝ่ายนึ่งเสียประโยชน์หรือเปล่าเออเอาตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญว่าอีกฝ่ายนึงเสียประโยชน์ไหมเมื่อเช้าอีกฝ่ายนึงเสียประโยชน์ไหมหรือได้ประโยชน์เออ ได้ประโยชน์เนะเวลารักษาศีลต้องดูเจตนาเป็นสำคัญนะเออแต่ถามว่าถ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ดีกว่าไหมก็ดีกว่าแต่ว่าเวลาอยู่ทางโลกบางทีมันไม่สามารถเลือกได้ทุกอย่างนายโยมนะเออถ้าสมมติว่าอาตมาตีเป็นเปอร์เซนต์ก็มีความดีอยู่สัก 85% ้าอแต่ขึ้นอ ย, อย่างนี้ขึ้นอยู่กับโยมไงว่า จะไปมองมุมที่ดีแล้วก็ทําลงไปหรือว่าจะไปมองมุมไม่ดีให้ไม่สบายใจอันนี้มันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลนะแต่ถ้าเปรียบเหมือนกับว่าเวลาเราสร้างบุญเหมือนกับคนเริ่มสร้างกิจการนายโยมโยมเลือกลูกค้ามากๆได้ไหมไม่ได้นะลูกค้าบางคนขี้บน่นแต่เขาซื้อของเขาไม่ต่อเป็นต้นอาตมาก็เอาเออเวลามีเวลามีมีม เวลามีลูกค้ามากๆค่อยเลือกนยโยมนะเออเวลาทำบุญมาจะถึงระดับหนึ่งแล้วโยมจะเข้าใจวิธีการเลือกเองว่าทาบุญประเภทไหนที่ไม่ให้มีความเดือดร้อนใจแต่ถ้าช่วงที่เพิ่งเริ่มทำควรมองแต่สีขาวนะควรมองแต่สีขาวเป็นหลักก็เสริมเมื่อกี้หน่อยแล้วกันเนาะก็เขาใช้วิธีพูดเลี่ยงเอาเนาะเวลาเจอสถานการณ์บางอย่าง ไม่รู้ว่าพี่เนนเอกเมื่อเช้าเล่าเคสที่เวลานักบวชทั้งหลายจะพูดกันไหมเช่นเวลานั่งนั่งอยู่แล้วก็สมมติมีนักโทษวิ่งมีคนวิ่งหนีมาแล้วเขาบอกว่าหลวงพ่อช่วยด้วยแล้วก็วิ่งไปหลบข้างหลังเราสมมติวิ่งมาตรงนี้นะแล้วก็หลบใต้โต๊ะนะแล้วก็ตำรวจก็วิ่งเข้ามาในตรงนี้ปุ๊บตำรวจจะทํายังไงตำรวจก็ต้องถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อหลวงพ่อจ๋าเมื่อกี้มีคนวิ่งเข้ามาหลวงพ่อเห็นไหม ถ้าจะมาต่อสมมุติเป็นอาตมาแล้วกันคนก็วิ่งใครสักคนวิ่งไปแอบในเก้าอี้ตายโต๊ะตัวนี้เนาะอาตมาก็คิดว่าเอ๊ะถ้าบอกปุ๊บเราก็ชี้เล่หล์ให้เขาถูกจับแล้วก็สินขาดถูกไหมโยมถ้าชี้เขาถูกจับเราก็สวยด้วยสีนเราก็จะถ้าเขาโดนประหารชีวิตเราจะโดนประราชิกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาถูกปรับเราก็ต้องไปจ่ายค่าปรับให้เขาใช่ไหมอ้าวถ้าเราไม่มีค่าปรับจะจ่ายแล้วเราจะทํำยังไงล่ะเนี่ยวินัยพระเขาเป็นอย่างนี้เนาะ อ้าวแล้วถ้าแล้วถ้าไม่บอกไม่เห็นก็มุสาวาดสัมมนานามนุษาวาเทปาจิตติยังเป็นปาจิตตีในเพาะโกหกทั้งที่ทรู้อา้าวโดนทั้งคู่เลยทําไงละง่ะโยมเป็นพระทําไงดีก็บอกว่าไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่บอกใช่ไหมอย่างนี้เขารู้ทันทีเลยนะเนี่ยใช่ไหมในในวิธีการเขาก็เลยบอกว่า พระพิสุก็จะลุกขึ้นยืนแล้วพอตำรวจเป็นต้นถามว่าหลวงพ่อเห็นคนหนีมาทางนี้ไหมก็ตอบค่อยว่าไงต้องแต่จะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่เคยเห็นใครเลยโกหกไ้ยเนี่ยไม่โกหกแต่เขาไม่บอกว่าแล้วก่อนหลวงก่อนหน้านั้นล่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นคนก่อนหน้านั้นไหมใช่ไหมเอออย่างนี้เป็นต้นนะก็ เห็นไหมโยมเขาเรียกว่าฉลาดในการพูดพูดเรี่ยงให้เราไม่โกหกด้วยแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยนะพอพักบางทีก็ต้องระวังไม่งั้นศีลตัวเองจะทะลุหมดเล ย, ยนะเห็นไหมนักบวชก็ต้องระวังนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนักบวชเจ้าเล่หนะ์นะนะเออแต่ก็ต้องอีกอันนึงก็คือต้องระวังเรื่องวาจาสัตว์ด้วย บารมีที่เท่าไรเอ่ยที่เจ็สัจจะบารมีโยมสวดไปเลยนะสัจจะบารมีสัมปันโนสัจจะอุปาบารมีสัจจะปรมาทบารมีสัมปันโนนั้นะบางทีก็คําพูดอะไรเราก็ต้องระวังระวังคำพูดบ้างพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะเสียสัจจะหรือเปล่าด้วยเนา ะ, ะก็เสริมตรงนี้ให้อีกหน่อยนะครับผู้จาร์หนูเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผลิตและจําหน่ายเบียร์แห่งหนึ่ง ตอนแรกหนูก็ไม่อยากทำแต่พอได้ทำหนูก็ชอบลูกค้าที่ให้ความร่วมมือและคิดว่าก็ดีเหมือนกันที่หนูจะรู้เรื่องภาษีสภาษามิตรด้วยแบบนี้แปลว่าหนูพอใจในบริษัทนี้ไหมแล้วมันจะบาปไหมแล้วการที่ไปตรวจสอบบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทนี้แต่ไม่ได้ผลิตเบียร์จะบาปด้วยไหมอ๋อก็ตมาเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะโยมนะเพราะว่า ปกติคนเป็นผู้สอบบัญชีไปสอบบัญชีก็สําคัญว่าเราจะไปตรวจสอบเพื่อให้เกิดไม่เกิดการทุจริตในองค์กรของเขาถูกไหมยโยมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กรของเขาเพราะกิจกรรมของออเดอร์เขาทํากิจกรรมสอบตรวจสอบบัญชีเช่นไม่ให้มีการโกรงกันในบริษัทเขาก็ดีนะหรือไม่ให้เขาโกงภาษีก็คือทําให้บัญชีมันตรงไปตรงมารัฐ ะ, ะก็จะได้ภาษีเต็มเม็ดเต็มต ม, ต ม, มวยโดยหลักการนะพูดถึงหลักการ แต่ถ้าโดยโดยโดยพื้นที่ในทํายังไงก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจกันทําอย่างนี้การไปเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่เป็นอะไรก็ตามก็จะไม่มีปัญหาเรื่องทําบาปกับเขานะยกเว้นโยมไปร่วมมือกับเขาเองเลยเช่นเช่นว่าทําอย่างนี้สิแล้วเธอจะได้มียอดขายเยอะขึ้นนะถ้าเธอมีให้ผู้สอบมาสอบอย่างนี้ปุบ๊บแล้วเธอก็จะทําให้ ยอดขายเบียร์เหล้าอะไรอย่างนี้สมมุติมันมีอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นดีขึ้นถ้าอย่างนี้ก็อาจจะมีผลกับเราบ้างคือเราไปยินดีในการค้าขายสุราอย่างนี้เนาะก็ จ, จะมีผลผลที่กลับกลับมาหาเราบ้างเนาะกลับมาหาเราบ้างนะแต่อย่างที่ถามมานั่นเองก็ไม่น่าจะมีโทษอะไรนะโยมเนาะเพราะเราก็เป็นอาชีพสุจริตไหมเป็นนะ ไม่มีการฆ่าสัตว์รักท ร, รัพย์พู้เป็นลูกมีคนอื่นพูดโกหกคำหยาบโซเสียดเพอเจอร์นั่นเองแต่อันหนึ่งที่ต้องระวังเรากลับกลายไปช่วยทําให้เขาอธินาทานหรือเปล่าเอออาชีพเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวออเดดเนี่ยบางทีอ่ะมันจะบอกไปสอบบริษัทเล่าเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเล่าแต่มีปัญหาเรื่องช่วยเขาโกงหรือเปล่าทาั้งที่รู้อยู่ทั้งรู้นั่นเอง จะบอกว่าธรรมาก็เคยทำอาชีพแบบนี้มาเหมือนกันธรรมาเลยรู้ว่าอาชีพแบบนี้นักบัญชีหรือออเดตเนี้ยบางทีแค่ดูงบก็รู้แล้วใช่ไหมโยมว่ามันโกงธรรมาเข้าใจว่ารู้เลยนะโยมนะตอนารรมาดูงบธารมาก็รู้เลยว่ามันทำแม่งทาแม่งในนีนน้แต่ออเดตทั้งหลายก็จะรู้ว่าเพราะฉันเขียนไปแล้วในหน้าแปะงบนั่นเองเนาะเออก็เลยต้องระวังว่าจริงๆ จริงๆเราจริงๆคือหมายความว่าความรู้สึกที่เราตั้งไว้นะนะเราเป็นอย่างไรนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้จะมาเขาไม่อยากตอบเยอะโยมเพราะมาถึงขั้นออกบวชเลยเลยโยมธรรมาไม่เอาด้วยเลยโยมพอเริ่มรู้จักธรรมะแล้วธามาวายไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าเว้ย <laughs> ทายังไงจะวายได้อย่างอาจารย์นะครับอ๋อ ก็กลัวบาปเยอะๆนะคุยกับตมาเยอะๆก็เรียบร้อยเลยโยมสังเกตได้คุยไปคุยมาตมาก็จะบอกโทษของบาปเรื่อยใช่ไหมโยมเนาะได้ยินไปฟังบ่อยๆส่วนใหญ่เออพอดีที่สำนักที่มาอยู่ตอนเนี้ยโยมเขามีโยมอยู่คนหนึ่งเอาโยมมาขายหน่อยนะก่อนหน้านั้นท่านโยมคนเนี้ยเขาก็ขับรถให้พระเป็นประจานั่นแหละก่อนหน้านี้ไม่เคยมีทีท่าจะบวชเลยโยมชวนยังไงก็ไม่ยอมบวชไม่มีทีท่าเลยถึงขั้น พระองค์เก่าที่ท่านเป็นลูกศิษย์อยู่เนี่ยโยมคนนี้ไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อองค์เก่าอยู่แต่คอเขาเลยเพราะหลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่บวชไม่ต้องมาอีกแล้วแกก็เลยไม่ไปอีกแล้วเลยโยมไม่ไปคุยกันไม่อะไรกันอีกแล้วแยกทางกันทันทีบอกถ้าให้บวชเงินก็เลิกจบกันฉันไม่ยอมแน่นอนแต่วันนี้โยมคนนี้ที่จะมาพูดอยู่ไม่ออกชื่อดีกว่าเนาะเอ๊ะหรือออกชื่อไม่ต้องรำนโยมเนาะแต่ให้อธิโมทนาหน่อยเขาเริ่มตั้งใจจะบวชแล้วโยมเดี๋ยวเขาบอกว่า งั้นเดี๋ยวคียอะไรเสร็จปีนี้คงจะได้บวชเพราะว่าคบคนเช่นไหลก็เป็นเช่นนั้นมาคบนักบวชดีไม่ดีโยมดีเนาะเห็นคบกับคนเห็นโทษในในธุรกิจอะเห็นโทษของการมีตังอ่ะเห็นโทษของการมีเงินเยอะเยอะเห็นโทษของการรวยอะจะไปเหลืออะไรโยมนะตมาก็ชี้วิธีรวยเขาชี้ชีชชี้เสร็จแล้วก็บอกแล้วก็จะสวยนะเนี่ยถ้ามีเงินขึ้นมาแล้วเนี่ย เออมาฟังเยอะๆเป็นไงโยโมกลัวสิโยโมนะแล้วก็ชี้ปัญหาเขาดูคนมีทรัพย์แล้วเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นเนาะชี้ๆบ่อยๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็ก็จะเห็นโทษง่ายโยโมยิ่งคนอายุเริ่มล่วงการผ่านวัยเกินสามสิบเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นงันง่ายยิ่งเป็นผู้ชายเห็นง่ายนะโยโมเนาะนะนะมาเชื่อลองให้โยโมทวีชัยใช่ไหมโยโมมาประกบอตมานานๆหน่อยลนะเรียบร้อยเลยโยโมขอสักสามเดือนพอ ไม่ขอเยอะนะโยมนะลูกหลานโยมอย่ามาฝากอาตมานะบอกก่อนนะโยมนะเด็กน้อยสิบขวบห้าขวบอย่างนี้อย่ามาฝากอาตมานะเขาเป็นปัญหากันมาเยอะแล้วโยมว่าเด็กมาบวชนี่แล้วไม่ยอมสึกพ่อแม่ร้องหมร้องไห้กันเยอะแล้วโยมนะแต่สุดท้ายก็ศึกนะพ่อตา玛เขาไม่เอาไว้เหมือนกันต า, าก็กลัวเป็นพ่อลูกอ่อนเหมือนกันอ่าคถามต่อไป ทำอย่างไรเราจะให้อาภัยและเมตตาต่อคนที่ทำร้ายจิตใจเราอย่างรุนแรงโกหกหลอกลวงและโกงเราได้รู้ดีว่าความโกรธความแค้นมันทำร้ายตัวเองพยายามลืมแล้วอาภัยแล้วแต่มันไม่สำเร็จสักทีทำอย่างไงดีครับอ๋อง่ายมากเลยง่ายจริงจริงต้องลองคุยกันนี้ก่อนนะเนี่เจ้าของคำถามไม่ต้องยกมือก็ได้เนาะ แต่ให้เจ้าของคำถามเนี่ลองมองคนทั้งห้องนี่นะเดี๋ยวตา玛จะถามใครไม่เคยโดนคนอื่นหลอกบ้างยกมือขึ้นมีคนยกไหมมีไหมเอกมีอยูมอยออ่มีอยู่สองสมคนอ๋อมีอยู่สองสามคนนะใครไม่เคยโดนเพื่อนแกล้งตั้งแต่เด็กยันโตนี้มีไหมไม่มีเนาะมีไหมตาาจริงๆมีคนตามไม่ดี มาอะไรต้องถามคนอื่นไม่มีเนาะนะใครไม่เคยถูกยืมเงินแล้วก็โดนเชิดเงินบ้างยกมือสิถ้ายกมือแปลว่าไม่เคยให้ใครยืมเงินมีไหมมีสองนะแปลว่าไม่เคยให้คนอื่นยืมเงินบ้างเนี่ยนะเมื่อกี้บอกว่าใครบ้างไม่เคยโดนอื่นคนอื่นตำหนาด่าตำหนิพูดกระแทกแดกดัน ใครบ้างไม่เคยโดเลยยกมือขึ้นไม่มีเนาะใครบ้างไม่ถูกคนอื่นพูดให้เสียใจช้ำใจยกมือขึ้นไม่มีเนาะมีไหมว่ามีจริงๆเหรอคนไหนเนี่ย้วไม่เคยไม่เคยมีเรื่องช้ำใจเลยเหรอ เขาว่าไงนะว่าไงนะโยมเอา ไ, มอาไหมน่อ ย, ยแหมมีคนไม่ไม่เคยโดนจริงๆเลยเนี่ยก็คุณเจ้าคะโยมฟังคำถามผิดค่ะโยมอ่ะโดนคนอื่นว่าให้ช้ำใจ <c oughs> โอเคดีแล้วโยมนะ จ, จ, จสังเกตนะคำถามเขาที่จะามาถามทุกคำตาต่มาไม่เคยยกมือเหมือนกันนะเออถ้าเป็นคนที่เอายกคนอื่นอีกโยมนะคนอื่นแบบโอ้โหที่เขาเรียกว่าเมตตาตัวจริงเลยนะโยมนะที่เขามาเป็นเคสสแตทดี้เลยนะโยมนะมีคนหนึ่งชื่อโพธิโพธิกุมารนะ นะแกเป็นคนที่ไม่โกรธแกสัญญากับตัวเองว่ายัางไงไหมโยมนะสัญญากับตัวเองว่าตาบที่เราจะมีชีวิตอยู่ตาบใดถ้าเราโกรธขึ้นมาแล้วจะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยนะโยมนะเหมือนอะไรเหมือนฝนตกหาใหญ่ในฤดูเมษาฤดูฝุ่นฟุ้งนะ่ะฝนใหญ่นั้นก็ชำระ ให้ฝุ่นที่ฟุ้งสงบหมดโดยไม่เหลือเลยอย่างใดเราก็จะพิจารณาด้วยกำลังของขันติแล้วหยุดความโกรธวัไว้อย่างนั้นเลยนะเออเรื่องเป็นยังไงโยมลองคิดดูนะโยมนะโพธิเนี่ยจะมาเล่าสั้นๆนะคุณโพธิคนเนี้นะ่ะนะพอดีเขาก็ บวชโยมเหมือนเน้นเอกแล้วกันบวชนะบวชเสร็จปุ๊บเคยมียืมเอกได้ไหมเนี่ยได้นะพอดีมีอดีตภรรยานะไม่บอกแล้วกว่าชื่ออะไรเดี๋ยวรู้หมดนะก็พอดีมีคนเดินเข้ามาในเรื่องนั้นนะเอาในะเรื่องโพธิกุมารเอาแล้วเรื่องคร่าวๆนะกันนโยมนะเพื่อเห็นภาพถ้าเล่าตามชาดกเนี่ยจะไม่รู้สึกน่ากโกรธเลยนะแต่ถ้าเล่าแบบที่จะมาจะเล่าเนี่ยอาจจะรู้สึกโกรธได้ ดูซิวพวกโยมจะโกรธไหมนะพอดีมีคนเดินเข้ามาเป็นคนมีอํานาจมากเดินเข้ามานะเดินเข้ามาปุ๊บก็พาทหารมาด้วยหนึ่งกองร้อยพร้อมกับอาวุธครบมือนะแล้วก็เป็นคนที่เรารู้ว่ามีอิทธิพลเหนืออํานาจกฎหมายทุกชนิดนะถ้าไม่ถูกใจเราก็ยิงเราทิ้งตรงนี้ได้เลยเดินมาถึงก็ถามพี่เนเนเกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครกับท่านนะ พี่เนรเอกก็เลยบอกว่าปัจจุบันไม่เป็นอะไรกับเราเลยแต่อดีตตอนเรายังไม่บวชเธอเคยเป็นอดีตภรรยาของฉันคนคนนั้นสมมุติเป็นพระราชาและกันสมมุติในเรื่องเขาเป็นพระราชาเนาะมันเป็นพระราชาก็เลยบอกพระราชาก็เลยบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกับ น, นักบวชนี้เลยนะแปลว่าผู้หญิงคนนี้มีเจ้าของไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของทําไงลิฟเข้ากองกลาง นะเป็นไงโยมเจ้าผู้มีอำนาจพระราชาคนนั้นก็เลยจูงผู้หญิงคนนั้นกลับไปด้วยเลยนะเล่าไม่เล่าทั้งเรื่องนะโยมนะเช้ามาก็เดินมาหาใหม่อีกวันหนึ่งก็เดินมาหาใหม่มาหาพี่เนนเองใหม่แล้วก็ถามว่าเป็นไงล้วท่านนะพอดีสมมติพี่เนนเองก็นั่งอยู่นี่นะก็นั่งก้มหน้าเย็บกีวร อ, อยู่เป็นต้นหรือนั่งอ่านโพอยู่เป็นต้นก็นไม่ได้รู้เลยเขาเดินเข้ามาเขาก็เลยมาแซวว่า อาไหนบอกไม่โกรธไงไหนบอกพูดเรื่องเมตตาไม่โกรธไงผมเดินเข้ามาก็ไม่ทักทายเพราะว่าโกรธนะสิถ้าเป็นโยมโยมจะรู้สึกยังไงที่เขาเขาเอาอาดีตภรรยาเราไปเอาไปครึ่งหิ้งใช่ไหมหรือเอาไปทําอะไรเนี่ยแย่งเอาไปดือ้อแล้วอดีตภรรยาก็ร้องโวยว่ายยายอย่าเอาฉันไปเออถ้าเขากลับมาทําอย่างนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ย โอ้โห oh, ฉุดภรรยาไปยังไม่พอยังมาหยามน้ำหน้าอีกใช่ไหมแต่โพธิลือีนี้ mm hmm. ก็บอกว่าอย่างนี้เลยโยมบอกที่จะมาบอกไปว่าเราจะไม่ปล่อยเราจะไม่ปล่อยนั่นเองความโกรธเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะไม่เหลียวเราจะไม่สนใจแล้วก็ไม่ยอมปล่อยความโกรธขณะที่โพธิลือีนี้ถูกเขาพระราชาจับ เอาอาดีตภรรยาไปรีตภรยาก็าเป็นนักบวช ด, ด้วยนะมาบวช ด, ด้วยกันแต่ต่างคนอยู่ข้างๆกันว่งกันเถอะพระราชาก็มาจับตัวไปนะโพธิลือศีเนี่ยก็หันไปดูนิดนึงแล้วก็รีบหันกลับมาเพราะกลั ว, วตัวเองจะโกรธเออแต่จุดเด่นของเรื่องนี้คืออะไรลูกแ ม, ม่โยมโพธิลือศีเนี่ยมีความสามารถจะฆ่าทหารทั้งกองร้อยนั้นได้พร้อมกับพระราชาด้วยอิทธิของตัวเอง ถ้าจะช่วยก็ทําได้นะด้วยกําลังอิทิตรงนี้คือบุญยาบุญยาลิทธ์นะไม่ใช่อิทิลิทธ์ด้วยการเจริญกรรมฐานจะเป็นบุญยาลิทธ์ก็คือกำลังกำลังของเขาเขาเป็นคนมีบุญมาเกิดโยมเขามีพลังเท่ากับช้างหลายเชือกแต่มาจำไม่ได้รู้สึกจะห้าร้อยเชือกมัย่ยโยมเขาจะเป็นคนมีแรงเยอะมากเพราะฉะนั้นมือเปล่าเขาเนี่ยแล้วเขาเรียนจบศาสตร์ในการต่อสู้มาด้วยเพราะฉะนั้นอาหารหนึ่งกองร้อยเนี่ยเอาเขาไม่อยู่เลย ว่างกันเถอแต่เขาก็รีบหันหลังให้ทันทีโดยเขาคิดว่าเราจะไม่ปล่อยเราจะไม่ปล่อยถ้าความโกรธเกิดขึ้นขับเราแล้วเราจะไม่ปล่อยความโกรดนี้เกิดขึ้นได้เลยตราบเท่าชีวิตเรายังอยู่พอเขาเห็นอดีตภรรยาที่เป็นลือสีด้วยกันเนี่ยถูกชุดไปต่อหน้าต่อตาเขาก็หันหลังฟุ้บมาให้เลยโยมไม่หันไปมองส่วนผู้หญิงคนนั้นถ้าเป็นโยมโยมรู้สึกว่าใจร้ายไหมเนี่ยใจร้ายไหม คิดว่าอดีตสามีใจร้ายไหมผู้หญิงคนนั้นก็ไม่คิดอย่างนั้นโยนเขาคิดว่าเขาก็คิดแต่ว่าอาธรรมอาธรรมจเจริญแล้วอาธรรมจเจริญแล้วและสุดท้ายเป็นไงพระราชาได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีโยงพอพระราชาเอาผู้หญิงคนนั้นไปถึงวังนะคุยกันไปคุยกันมาพระราชายอมเลยโอ้โหคนอะไรเนี่ยคุยกันแล้วมีแต่ธรรมะออกมาหมดเลยวังกันเถอะ ยอมเลยโยมแล้วก็กลับมากลายเป็นโยมอุปถาของลือสีทั้งสองนั้นแปลว่าชนะธรรมะชนะอธรรมไหมชนะแปลว่าที่ตามาจะสื่อตรงนี้ก็คือคนที่ไม่เจอเรื่องเล้ายๆในโลกนี้ไม่มีหรอกโยมไม่ใช่แต่คุณคนคัโยมที่ถามคนเดียวนะอาตมาก็โดนตมาเนี่ยตอนตอนเป็นคารว่าไม่ใช่ไม่ขี้โกรธนะโยมขี้โกรธขี้โกรธจริงๆ คนถือมีถือปืนก็ไม่กลัวเดินเข้าใส่เลยเหมือนกันเออแต่พอเห็นโทษของความโกรธแล้วเป็นไงโยมพระเจ้าบอกอากโกอากโกท่มังอวชิมังอาชินิมังอาหาสิเมเยจะตังนูปะในหันติเวรังเตสูปสัมมติแปลว่าอะไรโยมนะแปลว่าถ้าเราไปผูกความคิดว่าคนคนนั้นได้อากโกท่มังได้ได่าเราแล้ว อาวะที่มังได้ทุบตีหรือเบียดเบีย้ยเราแล้ ว, ลวอาชินิมังได้เอาชนะละลาเราแล้ ว, ลวอาหารสิเมได้ทําอธินาทานคือเอาข อ, ของของเราไปแล้วเอาทรัพย์ของเราไปแล้วอย่างนี้เวีทั้งหลายย่อมถ้าเราไปผูกโกรธไว้เนาะไปผูกความออโททิถ้าไปผูกความคิดอย่างนี้ไว้ความโกรธทั้งหลายเวีทั้งหลายคือเวีไม่ว่าความโกรธทั้งหลายย่อมไม่ละครับเลยส่วนบุคคลคนใด ไม่เมื่อถูกคนทั้งหลายด่าแล้วถูกคนอื่นทุบตีแล้วถูกเขาเอาชนะละลาแล้วถูกเขาป้นหรือเบียดเบีย น, ย น, ยนด้วยเอาทรัพย์ของเราไปแล้วก็ไม่ใส่ใจอดีตเลยโยมช่างมันนะแล้วก็ไม่สนใจเลยเวีนทั้งหลายย่อมระงับได้เลยเพราะไรโยมต้องเพาะด้วยให้เหตุผลโยมทุกคนในที่นี้นะพร้อมกับให้เหตุผลกัตมาด้วยเหมือนกันเพราะกัตมาก็เป็นคนหนึ่งโยม ถ้าเผลอเมื่มอไหร่ก็โกรธเหมือนกันโกรธแรงด้วยโยมโกรธแบบแต่เล่าความผิดตัวเองให้ฟังนะไม่เล่าความดีหรอกมีจะมามีวันนึงจะมาเผลอโกรธทีหนึ่งโยมโกรธแบบลืมเป็นพระเลยโยมสลัดจีวรพุบออกไปแล้วก็เดินเดินปี่เขาไปใส่เขาเลยโยมนึกขึ้นได้เอ้ยตายแล้วว่าทําอะไรเนี่ยเออพอดีวันนั้นมีทีหนึ่งโกรธจัดเลยโยมเผลอลุดลุดจริงๆเลยโยมมีมีเหมือนกันนะโยมนะ เห็ยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยก็มีหลุดเหมือนกันแต่วันนั้นโอ้โหกลัวมากเลยโยมโอ้ยกลัวตกใจกลัวมากเลยเราทําอะไรลงไปเนี่ยตายแล้ววันนั้นวันนั้นคิดว่าจะฆ่าเขาด้วยซ้ําฆ่าคู่กรณีด้วยซ้ำโอ้ตายแล้วตายตายตายตายตายแวบเดียวเองนะโยมเออความโกรธวิ่งปื๊ดขึ้นมาเลยเห็นไหมโยมเวลาความโกรธมันเกิดน่ากลัวไหมแตมาไม่ได้บอกว่าเขาทาอะไรแตมาแตมาจะไม่เล่าหรอก แต่มันจะเล่าให้ฟังว่าความโกรธมันน่ากลัวอย่างนี้โยมนะแต่พอเรารู้ว่าอะไรถ้าเราทําอกุศลไปแล้วใครจะรับผลของอกุศลนั้นเราแปลว่าใครแกล้งใครเนี่ยเขาแกล้งเราหรือเราแกล้งตัวเองเราเบียดเบียนตัวเองแล้วที่คนทั้งหลายมาเบียดเบียนเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเพราะเพรา ะ, เพราะเราเคยทํากรรมอย่างนี้อย่างนี้ไว้แล้วจริงไหมโยม ถ้าเราไม่เคยทำใครหน้าไหนจะมาเบียดเบียนเราได้จริงไหมองคใครที่ไหนจะฆ่าพุทธเจ้าได้มีไหมเวลาเราฟังประวัติของพระุทเจ้าแล้วเขาวางดักในธนูไว้สิบชั้นยี่สิบชั้นเพื่อจะฆ่าพุทธเจ้าฆ่าได้ไหมนะไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะกรรมที่จะทำให้พุทธเจ้าเสียชีวิตในระหว่างมีไหมไม่มีงั้นเราอยากมีผลอย่างนั้นบ้างไหมละ่ะเอาอย่างจุกพุทธเจ้าจงยกไว เคยได้ยินเรื่องโคสกะาเศรษฐีไหมโคสกะาเศรษฐีเป็นเป็นชาวบ้านเหมือนเราเนี่ยแหละโยงนะถูกเอาถูกเบียดเบียนคือฆ่าถึงเจ็ดครั้งตั้งแต่เพิ่งเกิดใหม่ๆเลยโยงแต่ตายไหมไม่ตายเพราะอะไรโดนไปทิ้งป่าช้าให้หมาให้หมาให้กากินก็ทำแล้วเอาไปโยนลงเหียวก็แล้วเอาไปวางไว้ให้กองเกวียนมันเดินทับ เอาไปวางไว้หน้าคอก ว, วัวให้วัวมันออกจากคอกเหยียบก็แล้วเอาดักทำแผนจับฆ่าแล้วยัดใส่เตาเผาก็ทำแล้วหรือทำอีกสารพัดวิธีก็เอาให้ตายรอดไม่รอดรอดเพราะอะไรบาปกรรมที่ฆ่าแบบนี้ไม่มีมีแต่บาปเคยทิ้งอดีตลูกตัวเองไว้ทิ้งลูกแต่ไม่ได้คิดว่าใช้เขาตายนะแต่สุดท้าย ก็ไปเอาลูกคืนมาลูกตายเพราะความเหน็ดเหนื่อยตัวเองไม่ได้คิดจะฆ่าคิดแต่จะทิ้งก็เลยโดนทิ้งเจ็ดครั้งติดแต่เคยมีกุศลกรรมคือคอยดูแลป้องกันภัยให้กับพระภิกษุคนองค์นั้นคือพระปเจกนั่นเองไว้ตอนเป็นสุนักตอนเป็นสุนักเนาะเพราะฉะนั้นตัวเองโดนทิ้งด้วยกรรมเก่าของตัวเองไม่ตายด้วยกุศลกรรมที่ตอนเป็นสุนักคอยเห่าช่วยเหลือ พระปฏิจเจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วควรโกรธไหมไม่ควรควรอภัยไม่ควรทําไม่อภัยก็ไม่เป็นไรโยมถ้าไม่อภัยก็ไม่เป็นอะไรแต่ทุกครั้งที่คิดไม่ดีกับคนอื่นไอ้นี่มันเบียดเบี้ยวเราขอให้มันตายขอให้มันโดนรถชนขออะไรอย่างนี้เป็นตนกรรมนั้นจะกลับมาหาเขาหรือกลับมาหาเราเออเง้นตะมาจะบอกโยมไม่ได้บอกให้โยมอภัยให้เขาหรอก แต่บอกให้โยมอภัยให้ตัวเองเถิดจะรังแกตัวเองต่อไปเลยเหมือนกับอที่มาก็จะบอกสอนตัวเองนี้เหมือนกันว่าเธอจงมีเมตตาเถิดถ้าเธอไม่มีเมตตาเธอก็รังแกตัวเองเบียดเบีย น, น, ตนตัวเองเธอเป็นศัตรูกับตัวเองมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือถึงมัวแต่เบียดเบียนยำใหญ่ตัวเองขนาดขนาดนี้เป็นต้นพอจะเข้าใจที่จะบอกนโะยมเนาะถ้าอย่างนั้นจะทําอย่างไรล่ะแม้เข้าทางอัตมาอีกแล้ว ถ้าแล้วโยมก็อยู่ในสังคมแบบนี้<ม>ก็<ม>ต้องโดนเบียดเบียนเป็นธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วจะทําไงถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเมื่อกี้นี้ผู้ชายเนาะ<ม>บวชสิโยม<ง>ดีผู้หญิ ง, ห, ญงหรอโยมะนะสำนักที่จะมาอยู่เนี่ยเจ้าของเป็นชีโยม<笑><笑><笑>นะเจ้าของเนี่ยมีที่เยอะห้าสิบไร่เขาอยากให้คนไปอยู่โยมเขาคงชอบผู้หญิงไปอยู่มากกว่าผู้ กว้มากกว่าผู้ชายไปอยู่แน่นอนนะก็มีโยคยีที่เป็นผู้หญิงด้วยกันไม่โกนหัวด้วยโยมไปอยู่กันอย่างนั้นนะเยอะเลยนะหนึ่งคนที่ห้าสิบไล่ไปอยู่ด้วยกันได้โยมเพราะถ้าอยู่ในสังคมของคลรวาวัตตะก็อย่างนี้เองมันเป็นโทษของการเกิดโยมเบื่อการเกิดไม่ล่ะถ้าเบื่อการเกิดโยมก็เพียนสลัดออกจากวัตตะทุกสิโยมการเกิดอยู่ในวัตตะนี้ มันมีโทษอย่างนี้เองไม่มีใครผิดหรอกผิดเพราะเราเกิดมาคนที่เบียดเบียนเราก็ไม่ผิดเมื่อเราก็ไม่ผิดมันผิดเพราะเราเกิดเมื่อเกิดก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่น่าพอใจอย่างนี้เองธรรมดาธรรมดาเบื่อไหมล่ะถ้าเบื่อก็จงเห็นโทษแล้วก็จเจริญสมณธรรมกันดีกว่าข้อถัดไปโย ก็พอดีถ้าโยมสมมติว่าฟังไปแล้วปุ๊บก็ยังไม่นี่ก็อาจจะบอกอาจารย์ทวีชัยว่าให้ติดต่อพระคนใดคนหนึ่งมาคุยเป็นการส่วนตัวก็ได้นะโยมเนาะมันจะได้ได้ประโยชน์เผื่อมันรบกวนจิตใจมากแล้วก็รบกวนเรื่องสมาธิเนาะจะได้แก้ปัญหาของโยมไปเผื่อมันแก้ได้เหมือนมันเป็นจังหวะก็มาคุยการส่วนตัวถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็มาคุยกันใหม่ได้นะโยมนะ อาจารย์รับใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็รับเองใช่ไหมครับก็ <laughs> พระมีหลายรูปโยไม่เป็นไรเนี่ยี่เนร เ, เอก้าได้ทํามาก็ได้จังหวะไหนว่างก็ธรรมาก็นะทุกขของคนอื่นก็เหมือนทุกของอตรตมาไม่เป็นไรโยแต่ธรรมาจะไม่กุ้มด้วยนะต้องบอกก่อนธรรมจะยิ้มรับนี่โยนะวิธีให้ได้โสดาบันในชาตินี้แบบง่ายๆต้องปฏิบัติตนอย่างไรและการเตรียมจิตตอนตาย ทำยังไงอ๋อง่ายเลยนะโยมพระเจ้าบอกวิธีง่ายมากมีสี่ข้อโยมจำไว้เลยนะโยมนะเขาเรียกว่าโสดาปฏิยังคธรรมอ๋ อ, อโทษทีออกเสียงผิดโสตาปฏิยังคธรรมแปลว่าอะไรโยมแปลว่าองค์ที่ทาให้ให้สำเร็จเป็นพระโสดาบันถ้ามีครบสี่องค์นี้องค์ประกอบนี้จะบรรลุเป็นพระโสดาบันแน่นอน แน่นอนเลยนะโยมนะไม่ต้องจดก็ได้โยมฟังเอาเดี๋ยวจําไม่ได้จดแล้วชอบลืมอ่ะต้องจะมาเรียนหนังสือจะมาไม่ชอบจดเลยเพจดแล้วลืมพ่อจีคิดว่าเดี๋ยวไปเปิดดูใหม่ได้แต่ถ้าไม่จดนะมันจำเอาเลยเพราะมันไม่มีมันมีที่ไปเปิดดูหนึ่งเอาเป็นภาษาไทยหรือบาลีดีเอาไทยนะหนึ่งตั้งใจฟังนะโยมนะพูดทีเดียวหนึ่งคบสัตว์บุรุษนสองสัต ฟังภาษาธรรมสามโยนิโสมนสิกานสี่สัตธรรมปฏิปฏิอุ้ยมันภาษาบาลีนี่นะเอาสี่หัวข้อจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้เนาะไอ้สี่หัวข้อเนี้มันเกิดเป็นสังเกตนะหลักการศาสนาพุทธเวลาพูดเนี่ยก็จะพูดเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะไอ้อันสุดท้ายมาเนี่ยสัธรรมปฏิปตินี้จะทาให ให้ความเป็นพระโสดาบันเกิดขึ้นความเป็นพระโสดาบันจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยโยนิโสมณิสิกานนโยนิโสมณิสิการจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยสัทธ์การฟังพระสัทธรรมสัทธธรรมมัสนวนานะอ้สัทธธรรมมัสนวนาจะเกิดขึ้นได้คบสัตบุรุษ ส, สัปรุสูปนิสยาคบสัตบุรุษแปลว่าโยมทำข้อหนึ่งก่อนเพราะได้ข้อหนึ่งปุ๊บ ข้อ2ก็ตามมาข้อ3ข้อ2ตามมาข้อ3ก็ตามมาข้อสตามมาข้อ4ก็ตามมาเหมือนนรโยมเหมือนโยมมาเข้าคอร์สครั้งนี้ไงเจอพระพิสุสุ์พระพิสุสุ์ก็แสดงธรรมก็โยมก็เลยได้ฟังธรรมพอฟังธรรมโยมได้ความเข้าใจมากขึ้นไหมนาณาพัสติก็เริ่มเข้าใจเมตตาก็เริ่มจะทําเป็นความโกรธก็เริ่มลดลงเมื่อกี้ได้ยินเรื่องทานกุศลอีกทานกุศลก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเมื่อเริ่มเข้าใจเข้าใจเข้าใจมากขึ้นไอเข้าใจเนี่ยเขาเรียกว่า โยนิโสมนัสิการแปลง่ายๆอย่างนี้เลยโยมโยนิโสมานสิการแปลว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วจะทํำยังไงพอรู้ปุบ๊บพอมันเก็ตปุ๊บอะนะสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นพอเข้าใจก็คือสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นการปฏิบัติตนถูกที่เรียกว่าสัทธรรมมัติปฏิก็เกิดขึ้นได้นั่นเองนะแต่ถ้าโยมคบคนผ en, ิดเช่นสมมติสมาเป็นคนพา น, นิโยมนะ โยมมาเจอตะมาปุ๊บตะมาก็บอกว่าโยมรู้ไหมงวดนี้เขาว่าเลขเด็ดเลขไหนอยากรู้ไหมโยมมาคนละร้อยเดี๋ยวตะมาจะบอกถ้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยโยมโยมก็ฟังอาสัตธรรมเพราะโยมคบคนผ่านไงอมิตรอมิตรตะมาก็จะเป็นอมิตรอมิตรก็ต้องทําหน้าที่ของเขาถูกไหมโยมตะมาก็ต้องทําหน้าที่ของขาตมาตะมาไม่ได้ทําผิดนะ แต่มาทำถูกนะเพราะจะมาเป็นอามิตรอาบิรก็ต้องแสดงอาสาธรรมพอได้อาสาธรรมโยงก็ต้องเป็นอโยนิโสมณสิการเมื่อโยมมีอโยนิโสคือเข้าใจผิดโยมก็ต้องปฏิบัติผิดเมื่อปฏิบัติผิดก็ไปไหนไปอบายถ้าปฏิบัติถูกไปไหนเมื่อกี้พูดถึงโสดาบันเนาะก็บรุษเป็นพระโสดาบันก็เพราะฉะนั้นการจะทําอย่างไรองค์ประกอบที่ทําให้บรรลุเป็นสาโดโสดาบันง่ายๆตอบตามหลัก ของผู้เจ้าก็ตอบอย่างนี้แล้วกันโยมส่วนอีกคําถามว่าไงนะการเต็มจิตตอนตายครับตอนเตรียมจิตตอนตายทําอย่างไรโอ้อันนี้ธรรมจจะตอบอันนี้ได้ไหมโยมอันนี้สงสีสิประการให้ฟังหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขแม้หลับฝันไม่ฝันร้ายมนุษย์รักไข้อมนุษย์รักไข้เทวดารักทั้งหลายตามปกปกักรักษาไฟอย่าสาตา ย, ยาพิษอย่าได้กํากายสมาธิก็ตั้งมั่นได้ไวนะผิวพันธุ์ก็ผ่องใสข้อที่10ตายก็ไม่หลงตาย แปลว่าเตรียมจิตก่อนตายไหมเนี่ยใช่แน่นอน11ตายไปแล้วสู่พุมรโลกทํามาไม่มั่วนะเนี่ยโยมอันนี้เป็นพุทธพจน์นะโยมเนาะอยากได้ยินพุทธพจน์เล่าให้ฟังหน่อยก็ได้นะเขาบอกว่าพูดเร็วหน่อยนะโยมนะเมตตายพิคเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาพาวิตายาภริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายะปริติตายะสุสมารถายาอิเมเอกาทาซาณิสังซ่าปาทิคังค้ากัตมีเอกาทสซา สุขังสุปฏิสุขังปฏิผู้ชัตินาปาปะกังสุภินังภาสติมนุสสันังปโยโหติอะมนุสสานังปโยโหติเทวตารักขันตินาสักิวะวิสังวาสะทังวากามติตูเวตังจิตตังสมาทิยติมุขวานโนวิปัสสิติอสัมมลโหกาลังกโลติอุตริงอาปฏิวิชันโตปัมมโรกูภะโขโหติสิบข้อจบแล้วโยมเป็นพุทธพจน์นิยมนะแต่มาไม่พูดลอยๆเพราะฉะนั้นโยมอยากเตรียมจิตก่อนตาย ฝึกเจริญเมตตาไงเพราะอณิสงค์ของเมตตาสมาธิก็เกิดไวงั้นโยมไม่ต้องอยากมีสมาธิสมาธิก็เกิดง่ายนะแถมไม่พอเป็นยังไงรู้ไหมโยมใกล้ตายก็ไม่หลงถ้าตอนตายยังไม่หลงตอนใกล้ตายยังไม่หลงตอนไม่ใกล้ตายจะหลงไหมตอนแก่จะหลงไหมไม่ตอนชีวิตประจําวันจะหลงไหมไม่หลงหรอกโยมจะเป็นคนมีสติสมัมปชัญญะดี นะอย่างที่เมื่อวานเล่าไปเมตตาเนี่ยใกล้ต่ออนาคามีมักง่ายด้วยนะถ้าใครไม่เชื่อลองไปสวดกรณีเมตตาสูตรนะเดี๋ยวคําถามเยอะจะมาไม่ละไม่ไม่เอาต่อนะโยมนะเนี่ยวัตถามาถ้าพูดเมตตามันเดี๋ยวยาวโยมพูดเป็นวันก็ได้ถ้าดูลมแล้วเกิดแต่ความเบื่อสบายเป็นสุขจะทําให้จิตยึดแต่ความสุขแล้วจะหลุดพ้นตอนไหนหรือขั้นสูงกว่านี้ การทำเช่นนี้ต่างจากการทำสมาธิที่เขาเปรียบว่าเหมือนหินทับหญ้าอย่างไรคือออกจากสมาธิแล้วยังมีอารมณ์เหมือนเดิมอ้าวก็อย่างนี้นะโยมนะเวลาเราจเจริญนาราสติเนะี่ยก็ประสบความสุขเนาะประสบความสุขแล้วเราจะติดสุขไหมถ้าเราไม่ติดสุขเราจะติดทุกข์ดีไหมดีไม่ดีงั้นเราก็ไปทำยังไงดีทำอย่างนี้ดีไหมให้มันตึงๆแล้วก็รู้ทุกข์นานๆ แล้วเราก็ติดทุกแทนไงใช่ไหมโยมเป็นต้นเนะเป็นต้นถ้ามนุษย์เนี่ยตัณหาเป็นธรรมชาติที่ติดนะโยมนะเป็นธรรมชาติที่ติดที่โยมอยู่กับชีวิตโลกทุกวันนี้แล้วทำไมโยมบวชก็ไม่ได้ละ่ะเพราะโยมติดทุกไงโยมติดทุกไงโยมติดความทุกข์กันนั่นเองคนไม่งั้นโยมก็บวชกันง่ายแล้วโยม หรือนักบวชถ้าบวชแล้วทำไมเขาไม่บรรลุกันง่ายเขาก็ติดกองทุกเน่ยเขาติดทุกรูปก็เป็นทุกเวทนาก็เป็นทุกสัญญาก็เป็นทุกสังขารก็เป็นทุกวิญญาณก็เป็นทุกติดทุกเนี่ยเลยโยมทุกขะทุกทุกโวเวทนาก็เป็นทุกสุขเวทนาก็เป็นทุกขอุเปขาหรืออะทุกขมสุขเวทนาก็เป็นทุกขแปลว่าไอ้ที่โยมเรียกว่าติดสุขคือติดกองทุกนั่นนี่นะติดกองทุกนั่นแหละใช่เลยโยม แต่กรรมฐานของพระสัมมาสูตเจ้าทั้งหมดไม่ได้สอนให้เราติดทุกข์ไม่ได้สอนให้เราติดทุกข์แล้วก็ไม่สอนให้เราติดสุขเพราะสุขสุขมันไม่มีอยู่จริงสุขมันไม่มีอยู่จริงหรอกสุขโดยความเป็นสุขแท้ๆไม่มีอยู่จริงเพราะไรโยมในเวทนาในเวทนาทั้งหลายพระเจ้าบอกว่าทุกเวทนาเปรียบประดุดลูกศรเป็นทุกข์กกขุขุขุขุขุขุคือทุกข์จริงๆ ทุกไม่รู้จะทุกยังไงเลยส่วนสุ ข, ขเวทนาเป็นทุกข์ไหมเป็นเป็นทุกข์เพราะมันคลายตัวไปเวลาเราเกิดสุ ข, ขเวทนาเราดีใจไหมชอบติดพอมันเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ่นเพอ้อล้ำพันโอ้ยวันก่อนเคยได้ปีตีวันก่อนเคยได้นิมิตวันก่อนเคยนั่งแล้วชื่นใจโอ้โหอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าว่าจะนี่ขมม้าสุขเลยสุขเคยสมมติ เคยได้อะไรคำชมสุขใจไหมพอเขาไม่ชมทุกทันทีเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นกรรมฐานของพระาศาสนาในาศาสนาเหล่านี้เขาไม่ให้ติดทั้งสุขไม่ติดทั้งทุกข์เข้าใจไหมโย ม, มเพราะฉะนั้นใครที่เจริญกรรมฐานแล้วติดสุขแปลว่ามันผิดพลาดใหญ่แล้วผิดพลาดใหญ่แล้ว แต่การเจริญกรรมฐานทั้งหมดเพื่อทําให้สติสัมปชัญญะนะทั้งสติด้วยทั้งสัมปชัญญะคือปัญญาด้วยมันเกิดขึ้นไอตัวปัญญานี่แหละโยมมันจะทําให้เราเห็นเห็นโทษของสุขเวทนาด้วยเห็นโทษของทุกขเวทนาด้วยเห็นไหมเห็นโทษของปีติปามโมทด้วยเพราะอะไรเพราะบุคคลที่บรรลุง่ายๆทั้งหลายเนี่ยนะเขาพิจารณา วิตกพิจารณาวิจารณ์พิจารณาปีติสุขเอกตาไอพิจารณาอย่างที่เลยโยมบรรลุกันง่ายนักแลบรรลุกันง่ายๆกันนักแลโยมนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนักบวชบวชมาสามเดือนโยมบรรลุกันแล้วไม่ติดสีวเวลานานไอนี่สามเดือนเขาเรียกว่าธรรมดานะเนี่ยโยมธรรมดาก็จะประมาณสามเดือนก็บรรลุกันนะใครที่มันบวชมาสามเดือนว่าสักแต่นิมิตก็ไม่ได้ โอ้โหเขาท้อใจกันหมดเลยโยมอะไรกันนี่ต้องสามเดือนแล้วไม่ได้อะไรซึกดีกว่าอย่างนี้ก็มีนะโยมนะเพราะคนที่บางคนสนัมมเนรน้อยเจ็ดขวบบรรลุตอนไหนโยมตอนยังไม่เปลี่ยนผ้าเลยโยมยังไม่เปลี่ยนผ้าเลยยังไม่ห่มสีนี้เลยโยมจับมีดโกนมาโกนปืดปืดปืดปืดบรรลุเป็นผ้าหลังแล้วเออบรรลุกันง่ายไหมผูธการเวลาเราเล่าแล้วย่อนะโยมนะ แต่เวลาไม่ย่อมันยาวอยู่ก็เลยวูาโอ้ทำไมมันบรรลุกันง่ายโกนหัวเขาบรรลุใช่โยมเขามีวิธีกําหนดของเขาเหมือนกันนั่นเองเนะเาะอ้าวก็แปลว่าตอบตอบว่าจริงๆเมื่ให้ติดสุขโยมแต่เขาฉลาดในสุขเขาฉลาดในปีนี่ปีติปาโมทเขาฉลาดในเอกขตาคือสมาธิด้วยเพราะเขารู้ว่าเมื่อเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คือไอ้ที่สุขที่โยมพูดนะอาจจะไล่ฟังใหม่นะโยมนะปรามโมทเป็นปัจจัยแก่ปีติปีติเป็นปัจจัยแก่ปัสธิปัจสธิเป็นปัจจัยแก่สุขสุขเป็นปัจจัยแก่เมื่อกี้ถามเรื่องสุขเนาะโผลมาแล้วนโยมนะสุขเป็นปัจจัยแกส่สมาธิอสมาธิโผลมาแล้วนาโยมนะสมาธิเป็นปัจจัยแก่ยะถาภูตยานัทสนะ แปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงนะมีอะไรบ้างมีนามรูปปิชยธยาปัจยาปริยานสัมมสนญญาณอุทยาพยาญาณพยาญาณอะไรเหล่านี้เป็นต้นพังคยานพญาญาณเหล่านี้เป็นต้นนิพิทาไล่ไปเรื่อยโยมอันเนี้ยเขาเรียกเนถาพุจญานนาสนะเนื้อถาพุจญานนาสนะก็เป็นปัจจัยแก่วิลาควิมุติ พวกนี้นาโยมนะเป็นต้นเออเห็นไหมโยมแปลว่าสุขมันดีหรือไม่ดีดีแล้วทุก็ดีไม่ดีทุกก็ดีเหมือนกันโยม พ, พ่อพระพเจ้าก็ตัดว่าทุกเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาไม่ใช่เป็นเหตุใกล้สมาธินะทุกเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาเพราะอะไรโยมลองดูพวกโยมนะโยมนะมีใครในที่นี้บ้างที่ ถ้าเป็นผู้หญิงก็สามีก็ดีลูกก็ดีไม่เคยเจอเรื่องเดือดร้อนเลยในชีวิตเนี้ยบ้านก็รวยพ่อตาก็ดีแม่ยายก็ดีพ่อเราก็ดีญาติพี่น้องไม่เคยทำเรื่องทุกข์ใจให้เราเลยในที่นี้มีนั่งอยู่ในนี้บ้างไหมถ้าเป็นผู้ชายสาภรรยาก็เคยจัดแจงการงานดีเหลือเกินไม่เคยบน่นไม่เคยตำหนินะเช้าก็กราบเย็นก็กราบสามีลูกก็หูเรียนเกง่งดือ้อสักคาไม่เคยเลย นะลูกทํางานก่อนดีทุกอย่างอะไรก็ดีทุกอย่า ง, ะางจะเจอว่าถ้ามีอยู่ก็ไม่ใช่นั่งในที่นี้ถ้าไปถามคนทุกคนในที่นี้ก็จะเจอว่าสารพัดทุกประดังประเดียดเบียรเราอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงกุ้มใจเหลือเกินเขาบอกว่าหันมาศาสนาบางสิลูกเอ้ยแล้วลูกจะเจอคําตอบสัต ธ, ธามอะไรเกิดโยม ทุกเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วจึงมาเจริญกรรมฐานและประสบสุขประสบสุขแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ยะถาพุญญาในศา ส, สนะเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องติดทุกข์ก็ได้เนาะเขาเอาทุกข์เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาศรัทธาเพราะเจอทุกข์แล้วอะ่ะมันจึงอยากรู้วิธีสลัดออกจากทุกข์ใช่ไหมยโยมนั่นเองเออจะมาลืมไปว่าจะพูดสั้นๆน่าเข้าใจนะโยมเนาะ นิมิตมีกี่ประเภทมีลนะักษณะยังไงบ้างนิมิตมีกี่เพศนะโยมนะพูดตามหลักการนะโยมนะ่าจะมามาถ้านั่งนั่งในที่เยอคนเยอะๆอย่างนี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะพูดหลักการนะโยมนะถ้าไม่เห็นหน้าคนถามแล้วไม่ค่อยกล้าตอบยาวเท่าไหร่มีสมอย่างโยมนะหนึ่งบริกรรมนิมิตสองอุคานิมิตสปฏิภาคนิมิตนิมิตมี3อย่างนิมิตนิมิต นิมิตแปลว่าอะไรดีละ่ะแปลว่าเครื่องหมายนิมิตแปลเป็นไทยว่าเครื่องหมายนั่นเองนะตรงภาษาอังกฤษว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันรีมาร์คหรือเปล่าตรงกับคำว่าอะไรอีกปกติเขาใช้คําไหนเนี่ยนะใช้ทับศัพท์ทับศัพท์ใช้นิมิตเหมือนกันนะนิมิตตะนิมิตตะนะโอเคนะโยมเนาะก็มันเป็นเครื่องหมายของกรรมฐานโยม ถาอนนาปันสติยุมจะถามอานาปันสติมั้งเนี่ยหรือกรรมฐานแต่ละกรรมฐานนั้นไม่เหมือนกันนะนิมิตของแต่ละกรรมฐานไม่เหมือนกันถ้าเมตตามีอะไรเป็นนิมิตมีหมู่สัตว์เป็นนิมิตก็คือคนที่เรานึกถึงก็เป็นนิมิตไม่มีนิมิตแท้มีแต่แแนิมิตแบบนี้คือนึกถึงใครคนนั้นก็เป็นนิมิตนะถ้าทานกุศลมนะีอะไรเป็นนิมิตนะก็มีกุศลไอ้โทษทีจาคารุสติมีอะไรเป็นนิมิตก็มีโักุศลแล้ทานกุศลที่เราเคย ทำแล้วเป็นนิมิตนะโดยนี่เป็นนิมิตโดยอ้อมนะไม่ใช่โดยตรงพวกเช่นเมตตานะจากานุสติอย่างที่เป็นต้นนะแต่ถ้าเป็นกระสินมีวงกสินนั่นแหละเป็นนิมิตนั่นเองถ้าอนาปัญสติล่ะการรู้รู้ว่านี่ลมออกนี่ลมเข้าเขาเรียกบริกรรมนิมิตซึ่งรู้สึกจะพูดตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันนะเขาเรียกบริกรรมนิมิตนะพอบริกรรมนิมิตเกิดขึ้นที่ แต่จะมาว่าจะบอกดีหรือไม่เนี่ยอย่าเพิ่บอกเลยดีกว่านยโยมเนาะมันก็จะพัฒนาเป็นอุกานิมิตอุกขหาแปลว่าแปลกอุกแปลกอุกขหาให้ฟังแล้วกันโยมแต่จะไม่บอกว่านิมิตของอนาคานสติเป็นอะไรนยโยมนะเดี๋ยวไปยากได้แล้วมันเดือดร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยากอุกขาแปลว่านิมิตที่ถือเอาแล้วมันจากอุบทหน้าขหาเหมือนขหากรมเหมือนการเคหักขหาเนี้แปลว่าถือเอาหรือ นะข้าาไปว่าถือเอาอุข้าาไปว่าอุแปลว่ายกขึ้นขาว่าไปว่าถือเอาก็เลยรวมความไปว่านิมิต ท, ที่หยิบขึ้นมาได้แล้วคือติดแล้วติดแล้วก็คือคุ้นเคยกันดีแล้วส่วนปาติพาคณิมิตนะก็แปลว่านิมิต ท, ที่จะแปลว่าอะไรดีล่ะปกติเขาก็ไม่แปลกันนะเนี่ยโยมแต่มาเดินมาแปลมันก็เลยลําบากเนี่ยโยมส่วนเฉพาะละกัน นะเป็นภาคส่วนเฉพาะที่มันต่างจากติดขึ้นมาแล้วหยิบขึ้นมาแล้วมันจะเป็นนิมิตพิเศษสุดนะที่อธิบายกันยากแล้วสำหรับสำหรับมาอธิบายว่าเอาคําพูดมาบรรยายให้มันเป็นนิมิตตัวนั้นได้เหมือนเป๊ะไม่มีก็เรียกว่าปฏิภาคนิมิตนะถ้าได้บริกรรมนิมิตจะทําให้เกิดขณิกะสมาธิไปคู่กับคําถามแรกของโยมตั้งแต่เริ่มต้นเนาะ ส่วนเมื่อได้อุคณิมิตจะได้อุปจาระสมาธินะพอได้ปฏิภาคนิมิตเบื้องต้นก็จะเป็นอุปจารสมาธิเหมือนกันแต่พอปฏิภาคนิมิตเมื่อเสพุุนปฏิภาคนิมิตนานๆขึ้นอีกนิดนึงจะกลายเป็นอัปปนาสมาธินั่นเองเลยตอบเกินอีกแล้วนะิยมนะอา้าวข้อถัดไปดีกว่า ทำไมเอาความรู้สึกไปรู้ลมที่เหนือริมฝีปากเพราะเข้าใจว่าเป็นลมที่อยู่นอกรูปคือวายโยลมที่อยู่ในจมูกคือรูปหรือเข้าใจผิดจ้าก็ลมที่อยู่ข้างนอกคือวายโยถูกโยมลมที่อยู่ข้างนอกก็เป็นวายโยเหมือนกันแล้วก็เป็นพัทวีด้วยเป็นอาโปเป็นเตโชด้วยนะลมลมี่อยู่ข้างนอกก็เป็นรูประธรรมโยม ไอ้ไมโครโฟนนี่ก็เป็นรูปประทุมนะโต๊ะก็เป็นรูปประทมเป็นรูปประทมหมดเลยโยมแต่ที่บายเนื่องจากตอบลึกหน่อยได้บ้างเนาะไม่ลึกนิดนึงนะลึกนิดนึงลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นจิตตัชรูปเป็นจิตตัชรูปไม่ใช่รูปทั่วไปเป็นจิตตัชรูปนะที่มีอวินิโพค ร, รูป8ประการประกอบกันเป็นอวินิโพค ร, รูป8ประการประกอบกัน ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนะประกอบด้วยกลิ่นสีกลิ่นรสนโอชากินนึกไม่ออกโยมสีกลิ่นรสโอชาลวมแล้วสี่กับสีเป็น8นดนโยมสีกลิ่นรสโอชาแล้วก็ดินน้ำไฟลมนั่นเองลมหายใจเขาออกมีสีอยู่ไหมมีแต่เป็นสีใส เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เห็นมันสีโปร่งใสนั่นเองเราเลยไม่สามารถเห็นมันได้จริงๆไอ้ไอเจ้าลมหายใจเขาออกเนี่ยแหละที่ที่พอเราเจริญเจริญไปแล้วเนี่ยเบื้องปลายเขาจะไปเห็นรูปกรลาบของมันทั้ง8ดดวทั้งแดเนี่ยโยมแยกรูปกลาบของมันออกมาได้หมดเลยเห็นความเป็นดินน้ำไฟลมเห็นความเป็นสีกลิ่นรสแล้วก็โอชาคือวิตามิน โอชาเนี่ยภาษาคนยุค ป, ปัจจุบันเรียกว่าวิตามินนะมันจะมีอยู่ในลมหายใจเขาออกซึ่งเป็นจิตชรูปรูปที่เกิดจากนามธรรมาเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเขนาจึงให้รู้ลมนะเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ลมมาอย่างนี้นะโยมเนาะชื่อว่ารู้รูปธรรมรูปธรรมตรงเนี้ยเขาเรียกว่ากายานุปัสสนากายานุปัสสนานะส่วนธรรมานุปัสสนารู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามเลยโยมซึ่ง ในยะนั้นยังไม่ถึงเวลานะทำมานุษภา เ, เขารู้ไปจากนี้ระยมเขาจะไปแตกรูปกรหลาบออกมาเลยแตกเป็นยีกย๊กๆๆๆๆๆออกมาแล้วเห็นความไม่มีแก่นสารของของรูปปราทรมเหล่านี้นั่นเรียตอบลึกไหรือรเปล่าไม่ลึกไหน recognizes คถามให้ตอบลึกอะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รู้คือขอขยายแล้วกันนะ ทำไมเอาความรู้สึกไปรู้ลมที่เหนือริมฝีปากทำไมเอาความรู้สึกไปรู้ลมเหนือริมฝีปากเพราะว่าเราจะรู้ลมหายใจได้จากที่ไหนเอ่ยจากที่มือไหมเราหายใจออกหายใจเข้ารู้จักมือหรอไม่ใช่โยงเราจะรู้จักลมได้ด้วยอะไรถ้าไม่ใช่ลมหายใจเราจะรู้จักอะไรโยงเช่นลแอร์มันพัดอยู่ตอนนี้เรารู้ไหมว่าแอร์พัดเราอนุมานได้โยมแต่เราจะรู้ได้จากอะไรแล้วก็มือไปอังแอร์ใช่ไหม มันก็จะมีลมพัดมาชนมือพอชนปุ๊บเราก็รู้ว่ามีลมอยู่เหมือนกันระโยมโลมหายใจเราจะรู้ลมจากลมหายใจได้รู้จากไหนรู้จากที่มันสัมผัสสัมผัสใช่ไหมโยงจากสัมผัสทางกายแล้วลมหายใจมันสัมผัสที่มือหรือสัมผัสที่จมูกละ่ะมือหรือจมูกจมูกนะก็คือมันสัมผัสอยู่แถวนี้ระโยที่เรียกว่าจมูกคือแถวนี้ แถวปลายจมูกแถวริมริมรูจมูกเนี่ยแล้วก็แถวเนี้ยถูกไหมโยมถ้าโยมไม่มั่นใจโยมลองมือไปอังนี้โยมเราก็เจอว่าลมหายใจเราจะรู้ได้จากนิ้วมือเราก็ได้จริงๆเพราะนิ้วมือมันมาอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้ลมหายใจมันชัดมากเลยแต่ถ้ า, อ, าออกปุ๊บเราก็จะรู้ลมหายใจอีกเหมือนกันรู้ด้วยผ่านผิวหนังแถวนี้ ถูกไมมโยมเอ้าแล้วรู้จากตรงไหนได้อีกในรูจมูกรู้ได้ไหมรู้ก็ได้ในปอดรู้ได้ไหมรู้ได้แถวท้องรู้ได้ไหมได้แต่เขาไม่ให้ทำเพราะอะไรเมื่อถ้ารู้ถ้าเราไปรู้ลมหายใจข้างในเนี่ยมันจะทำให้เราไปรู้ความเป็นไปในร่างกายเยอะเกินไปความอึดอัดกระสับกระสายจะมาแทนที่พวกความรู้สึกร้อนความรู้สึกเย็นความรู้สึกแน่น ความรู้สึกอึดอัดจากลมดันมั่งจากเครื่องในทั้งหลายนะ่ะหัวตับไตไส้พุงมันมันทำกิจกรรมของมันนะ่ะมันจะตุมต่มต่ำตุมต่มต่ำตุมต่มตําของมันกวนเยอะเข้าใจไหมโยมคอยรู้ข้างนอกเพราะมันรู้ง่ายตอนแรกเหมือนรู้ยากแต่ตอนหลังจะรู้ง่าย นะแต่ถ้าไปรู้ข้างในปุ๊บเดี๋ยวโยมจะเจอแบบหลายๆคนที่บอกว่าได้ย<ๆ>ินเสียงหัวใจเต้นเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหวัวใจเต้นแรงขึ้นไม่ใช่หรอกโยมโยมไปรู้ข้างในด้วยนะโยมรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะรู้ยันปลายเท้าเลือดมันวิ่งฟืดฟืดวิ่งยันหวัววิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปกรรมฐานเปลี่ยนไปแล้วโยมกลายเป็นจักรจุดธาตุวัฏถะแล้วไม่ใช้อานาปนานสติแล้วกลายเป็นการกําหนดธาตุแล้วเออดีไหมงั้นจะกําหนดธาตุก็ได้นะโยมนะอยากกาหนดธาตุก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ จะได้ความอึดอัดมาด้วยอย่างโยมหลายคนที่เริ่มรู้จักพอจเจริญอานาสติเริ่มรู้หัวใจบีบปืบปาปึบปกท้องเริ่มแน่นกระเพาะเริ่มขยับโคคราโครคา ก, คากลมเริ่มแน่นบ้างขาเริ่มเจ็บเอ๊ะปกติทำไมไม่เป็นพอนั่งสมาธิแล้วเป็นไม่ใช่หรอกมันเป็นตลอดเวลาแต่ปกตินะไม่รู้ตัวปกติไม่รู้ตัวยิ่งไปรู้ข้างในเยอะเท่าไหร่จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะเท่านั้นเพราะเราทนสภาพความจริงไม่ได้กัน เหมือนกับอะไรโยมเวลาไปหาหมอก็จะเจอว่าป่วยเพราะงั้นทำไงก็อย่าไปหามันซะจะได้ไม่ต้องรู้สบายใจดีใช่ไหมโยมเออเหมือนกันโยมเพราะฉะนั้นกรรมฐานของจตุธาตุรัวฐ า, า, านเนี่ยเขาให้พวกพุท ธ, ธิจริตเจริญคนที่ทับความจริงได้พอมาเจออะไรข้างในแล้วมันโอ้สารพัดโลกอยู่ข้างในเจ็บไปหมดก็ยอมรับได้ ย, ม ร, ดยมรับได้ไหมล่ะได้ไหม นับไม่ได้หรอกอย่าไปทำเลยจเจริญอานาบัติสติก่อนดีกว่าเอาสุกไว้ก่อนอย่าเอาทุกขเวทนาเลยเยี๋ยวพอดีรู้สึกว่าคำถามที่มันสำคัญเนาะคือแล้วรู้เนี่ยรู้อย่างไรครับไปรู้อาการแบบไหนของมันรู้เพื่อเป็นพยายหรือต้องไปสนใจใส่ใจมันยังไงก็เราไม่ได้รู้ลมโดยฐานะที่มันเย็นมันร้อน น, นะโยงนะ ไม่ได้รู้ลมในฐานะที่มันผ่านมาแรู้สึกเย็นเย็นร้อนร้อนหรืออุ่นอุ่นหรือเบาเบานิ่มๆแข็งแขงไม่เอาสักอย่างเลยโยมรู้เหมือนกับเนี้ยเราก็รู้ว่าลมมันพัดมาโดนมือรู้จักว่าลมเหมือนกับเป็นเรารู้จักว่าลมอะไรเนี้ยเรียกว่าลมถ้าลมมันร้อนก็เรียกว่าลมลมมันเย็นก็เรียกว่าลมเราไม่ได้สนใจว่ามันร้อนมันเย็นจริงๆถูกไหมยโยมจริงไม่จริง imet? ลมมันช้าหรือมันแรงหรือมันเบาเราก็รู้ว่ามันเป็นลม แค่นี้รู้ว่มันเป็นลมแต่ขนาดที่รู้ว่ามันเป็นลมลมมันอาจจะร้อนหรือลมมันอาจจะเย็นเย็นหรือลมมันอาจจะนิ่มๆบางคนลมมันก็เสียดไอเกินมาทั้งหมดไม่เป็นไรมันรู้ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องรู้แต่ว่ารู้ว่าเป็นลมแต่รู้นิ่มๆไม่ได้ว่าลมมันเบานิ่มนวลอ่อนโยนอย่างนั้นเป็นตน้นรู้รู้ความนิ่มของลมมาด้วยก็ได้ นะหรือบางคนรู้ความกระด้างของลมเลยโยมพวกเนี้จะรู้ลมแล้วก็ยังไงก็กระด้างมันอยู่อย่างนั้นเลยโยมลมไม่หายให้ใหง่ายๆหรอกโยมเพราะรู้แล้วเหมือนกับเอาอะไรมาถากแถวเนี้ยอืดเหมือนเอาเอาภูเขาไปยัดใส่รูจมูกอะโยมโอ้ลําบากทรมานมันเกิดจากผดมันเกิดจากธาตุมันปรากฏ ด, ด้วยแต่ไม่ต้องไปสนใจเพียงสนใจว่าเรารู้แล้วลว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกยิ่งเราไปสนใจความ บ่อนโยนของมันความนุ่มนวลของลมหรือเราไปสนใจความที่มันเป็นของศักดิของมันเท่าไหร่อาการพวกนั้นยิ่งเด่นเมื่อยิ่งเด่นเราก็ยิ่งลมก็ยิ่งหายากยิ่งเราไปใส่ใจความมีกลมนิ่มเท่าไหร่มันก็ยิ่งนิ่มไปเรื่อยนิ่มไปเรื่อยนิ่มไปเรื่อยสุขุมนุ่มลึกไปเรื่อยมันก็จะยิ่งหายากทั้งปกติจะมาไม่อยากจะบอกนี้เหมือนกันนะอยากให้โยมนิ่มๆไปอย่างนั้นแหละสบายดี บางคนก็ชอบกระด้างกระด้างมันก็ยิ่งกระด้างขึ้นมาใหญ่เลยโยมพอะรู้ชัดดีเนี่ยแต่มันเกิดความอึดอัดตามานะสรุปก็คือรู้สภาพว่าลมก็คือลมเหมือนลมอย่างเงี้ยเลยโยมรู้ว่าไม่เป็นลมเข้าลมออกใช้ได้แล้วอย่าคิดลึกมากนะอย่าเข้าใจลึกมากนะเข้าใจแบบพื้นๆนะ่ะนะรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกอย่าไปสงสัยเยอะ ใช้ศรัทธาหน่อยใช้ความเชื่อหน่อยว่าว่ารู้ลมนึงก็ใช้ได้แล้วอย่าสงสัยเยอะเพราะกลุ่มเบื้องต้นของการเจริญกรรมฐานพวกนี้เขาไม่ได้ใช้ปัญญาจริงโยมเขาใช้ศรัทธานะเพราะเขาต้องการให้เราอยู่กับกิจกรรมที่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนมาก เป็นกิจกรรมง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่เราชอบเพราะชีวิตแบบชาวโลกชอบคิดอะไรให้มันวุ่นวายซับซ้อนไงโยมเขาให้รู้่ง่า ย, าย <c oughs> ๆก็อยากจะสงสัยให้มันยากไอ้ยากไม่ใช่โจแหนีงนี้เดี๋ยวตอนที่มันไปไปแตกรูปรธรรมนามธรรมอะซึ่งหลังจากตรงเนี้ยมันต้องใช้ใช้ระบบความเข้าใจที่มันเป็นปัจจัยแก่กันและกันยังไงซึ่งเดี๋ยวมันจะเห็นหลังจากนี้ไป เนาะเออตรงนั้นตรงนั้นนิดนึงแต่ตรงนั้นจะยากมากถ้าคนไม่มีสติสัมปชัญญะดีก็ฟังกี่รอบกี่รอบก็ไม่เกิดให้แต่ถ้าตรงเนี้ยชนานาญคือสติสมัม ญ, ญามีกําลังปุ๊บเดี๋ยวไอ้ข้างหลังอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ไานยานทั้งหลายที่เรือปัญญาวิปัสนาปัญญาทั้งหลายเขาเรียกว่ามันง่ายหมดแล้วมันของอยู่ในมือหมดแล้ว มันของเหมือนกับพลิกฝ่ามือไปพลิกฝ่ามือมาว่ามันจะเห็นยากตรงไหนในรูปธรรมนามธรรมาเนี่ยมันง่ายแค่นี้อันนี้จังมันเห็นกันง่ายแค่นี้เองโถเอ้ยทำไมไม่บอก ท, ทีแรกว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนไปพูดทําไมมันยาวยาวยาวยาวให้มันพูดไปก็เท่านั้นก็พูดง่ายๆแค่ตรงนี้เดี๋ยวคั้นลองถัดไปมันจะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเหมือนกับพูดโสดาไปยังคตธรรมพอครบสัตว์บุรุษฟังภาษาธรรมนะเข้าใจถูกที่เหลือก็ง่ายหมดแล้ว เข้าใจนะโยมเนาะแต่ทานไหมเนี่ยจะสามทุ่มแล้วเนี่ยก็หมดคือคําถามยังไม่หมดแต่เวลามันหมดวันนี้ไม่ใช่คืนสุดท้ายโยมยังมีอีกคืนหนึ่งไม่เป็นไรถ้าคืนสุดท้ายค่อยต่อเวลาดีไหมนะโยมเนาะพรุ่งนี้ถ้าเรานอนดึกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ไหวนะ